สัมมาสัมพุทธัสสะสุขพุทธานมุปาโทตีขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาปฏิบัติธรรมวันวิสาขาบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านนะซึ่งวันนี้ก็เป็นในช่วงเวลาเย็นนะที่ตบาภาคจะได้น้อมนำเอาพระธรรมข อ, ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะในหลักธรรมที่เกี่ยวกับพุทธคุณทั้งเก้าที่ญาติโยมสาธุชน ได้สวดได้สาธยายกันอยู่เป็นประจำในพุทธคุณบทต่า ง, างๆที่ญาติโยมสาธุชนได้สวดได้สาธยายกันแล้วพุทธคุณบทที่ญาติโยมสาธุชนได้คุ้นกันมากที่สุดก็คือบทวันนโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัจซึ่งบทนี้ญาติโยมก็แปลกันได้แต่การที่จะวิเคราะห์เจาะลึกให้เห็น ก็ไม่สามารถวิเคราะห์เจาะลึกได้เนื่องจากปัญญายัางไม่พอหรือสุตตะมยปัญญาอย่างน้อยบนอื่นๆ น, นอกจากนโมตัสสะแล้วจะมีอะไรอีกที่เป็นพุทธคุณก็พุทธคุณที่เราคุ้นกันมากก็คือตังโขปนะพระกวัรตังเอวังกาลยาโนกิติสัทธโธอภพุคขโตอิติปิโสพระวะอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นนั่นเองก็เป็นพุทธคุณอีกบทหนึ่งที่ศรัทธาญาติโยมสาธุชน นะได้สวดได้สาธยายกันแล้วก็มาแปลเป็นภาษาไทยเมื่อแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ยังทําเป็นกาบเป็นโครงเป็นกร์นะซึ่งทําเป็นกาบโครงกร์ น, นั้นญาติโยมสาธุชนก็รู้ อ, อ้อพุทธคุณที่เราสวดกันเนี่ยจะเป็นกาบเป็นโครงเป็นกร์อย่างไรก็แล้วแต่เราสวดกันเพราะแต่การที่เราจะเข้าใจความหมายเราก็ไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจความหมายประโยชน์ที่ได้จากการสวดสาธยาย ก็ได้น้อยเพราะฉะนั้นก่อนที่อาตมาภาพจะได้อธิบายขยายความหรือวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับพุทธคุณที่ญาติโยมสาธุชนได้เคยสวยดกันตั้งแต่สมัยก่อนนี้ทุกวันศุกร์ก่อนที่โรงเรียนจะปิดหยุดสุดสัปดาห์น่าจะมีการสวดสันเสริญพุทธคุณธรรมกุณสังฆคุณก็คือองค์ใดพระสามพุทธทุกเย็นแต่สวดแล้วไม่มีการอธิบายขยายความคือคานัเพราะมาก แต่เพราะสำหรับคนมีการศึกษาและไม่ได้ศึกษาทางโลกก็จะเข้าใจนะต้องศึกษาธรรมะอย่างกระจ่างชาัดด้วยจึงจะเข้าใจเพราะนั้นบทสวดที่มันเพราะก็จริงได้แค่ศรัทธาแต่วันนี้บทสวดที่มันเพราะกินใจจะสร้างปัญญาให้ญาติโยมได้มีโอกาสนะเปิดโลกัศน์ของการที่จะทาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบทสวดโดยเฉพาะบทพุทธคุณ วันนี้เอาเฉพาะพุทธคุณอย่างเดียวก่อนนะซึ่งก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนช่วยเปิดหนังสือหน้าที่สามนะญาติโยมเปิดหนังสือเลยหน้าที่สมปุพพะพาคะนามการนะ์เปิดหนังสือหน้าที่สมแล้วอาตมาก็จะขึ้นหันธรมายังพุทธสาพวพระกวาโตปุพพะพาคะนมกา ร, รังกรโรมาเสซึ่งคำเนี้ยเป็นคําเชิญชวนหันทะเชิญเถิดมายังพวกเราทั้งหลาย กรโมเสจงกะระทําอุปภะพาคะนมะการังซึ่งการนอบน้อมอันมีส่วนเป็นเบื้องต้นพระควะโตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพุทธะผู้ตัดสรู้ชอบณผู้ตัดสรู้แจ้งอริยสัจีได้โดยพระองค์เองก็คือบทที่จะสวดต่อไปนี้เป็นการแสดงความนอบน้อมในเบื้องต้นแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็จะสวดบทนี้จบ จบจาบทนี้ก็ไปที่พุทธานุสติจบพุทธานุสติแล้วก็ไปที่คํากาบนะซึ่งเป็นกาบยาณีนะฮะแล้วเราก็จะได้สวดตรงนั้นพอสวดตรงนั้นจบก็จะมีการอธิบายขยายความในส่วนนี้ต่อไปเพราะจัจากนี้ญาติโยมท่านใดที่ยังไม่มีหนังสือก็ขอหนังสือจากเจ้าหน้าที่แล้วก็ใช้หนังสือเนี่ยเป็นผู้มือในการฟังวิเคราะห์อธิบายขยายความนะแต่ละคําต่างต่อไปนี้ ันธมายังพุทธสสภควโตปุปภาคนมการักโรมเสนโมตสสภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสสนโมตัสสะภควโต อารหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะขวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระบารจ้าพระองค์นั้นอารหาโาตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุทธาตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองการนอบน้อมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยบทว่านามโมซึ่งเป็นคาถาที่เรียกว่าปัญจป ฏ, ฏิกาคาถาคาถาที่มีห้าบทก็ได้จบลงไปแล้วต่อไปก็จะได้นอบน้อมแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขยายจากพระคุณทั้งสมไปสู่พระคุณทั้ง9้า โดย บ, วดบยทว่าอิติปิโสหันทะมายังพุทธานุสติในยังกะโรมะเสตังโขปันนาภาเขวันตงังกกิติสับอันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เอวังกันลายานกิติสัตโทอภุคโตได้ฟูงไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภกวะเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุธทธ佛เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณส a ัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณาสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกะวิทู เป็นผู้รู้ลกอย่างแจ่มแจ้ง อ, อนุตตรโรปุริสาธรรมสารีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัตธาเทวมโนสานัน เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทางหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภารกุติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ ต่อไปก็น้อมเอาวระคุณเหล่านั้นทั้งหมดมาสวดด้วยทํานองสารพัญญะนะบทพระพุทธคุณสารพัน ญ, ญะสระแปลว่าเสียงพัญยะแปลว่าการสวดด้วยทํานองนะสารนี่แปลว่าเสียงพัญยะก็คือการสวดด้วยทํานองทํานองในการสวดนั้นมี32ทํานองแต่32มํานองนั้นปัจจุบันนี้นะในบ้านเราก็จะเหลืออยู่สองธรรนองจาก32มํานองเนี่ย เหลืออยู่สองทำนองโดยทํานองอะไรบ้างทํานองมรคตกับทํานองสังโยกทํานองในการสวดบ้านเราตอนนี้ทํานองสังโยกก็คือสวดติดกันเลย นะสวดติดกันอย่างเช่นอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุโทโววิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตารปุริสธรรมมาสารีสัทธาเทวามานุสานังพุโทโภภควาติสวดแบบไม่ต้องหยุดเลยแบบนั้นสต๊อปอันนี้เลยกว่าทํานองสั่งโยกต่อต่อต่อตอ ต, อ, ต, อ, ต, อ, ต, อ, ตอใครมีใครหยุดตรงไหนก็อยู่แต่ต้องการสวดต้องมาหยุดอันนี้ก็ทํานองสั่งโยกแต่ทํานองมะขุล่ะ ธรรมนองบาลีคือมคตสวดธรมนองอย่างไรก็เอาตามธรรมนองที่ชาวอินเดียสวดตังโกปะนาะบกวันตังเอวังกัลยานโอกิติสถุอะพุกโตอิติปิสโสบกวาอารังสัมมาสัมบทโดวิจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทุ อันุตรโตริปสัตหมสารทธิสัดธาเทวามนุษย์นังบุตรบาโควาติการทานองมาก็จะไปอย่างที่ไม่ต้องเหนื่อยไปสบายสบายทำนองสั่งโยกแบบนันสต็อปพระเมืองไทยนิยมทานองสั่งโยกนะ อันนั้นก็สวดกันเพราะนั้นก็จะเห็นวีเวลาพาสวดเอ๊ะทำไมท่านสวดแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยอันนั้นก็เรียกว่าทํานองสั่งโยกถ้าสวดแบบสบายสบายผ่อนคลายน่ะเสียงสูงเสียงต่ำตามทํานองของเสียงที่จะพาไปอันนี้เรียกว่าทํานองมรคนะแล้วก็จะเพิ่มเป็นทํานองอะไรอีกทํานองตามฉันทะลักษ์ฉันทะลักษ์นี้ถ้าเรียนคมพีวุตโตไทยฉันก็จะรู้เลยฉันทะลักษ์เนี่ยมันคืออะไรบ้าง โดยเฉพาะบทที่จะสวดสรพันยะก็คือองค์ใดพระสัมพุทธเนี่ยอันนี้ก็เป็นฉันทลักษ์ซึ่งเป็นฉันทลักษณ์ชนิดใดทําไมเราจะต้องสวดนะเป็นทํานองอย่างนี้นะหลายๆท่านก็อาจจะรู้จักชื่อของฉันทลักษณ์ชนิดนี้เขาเรียกว่ากาบยานีนะต้องสวดธรรนองในลักษณะที่องค์ใดพระสัมพุทธ สูดวิสูดาสันดานตามเสียงที่ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอันนี้ก็เป็นลักษณะของกราบยานีเพราะนั้นก็คือฉันทะรักเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยต้องเรียนรู้คัมภี์วุตโตไทยฉันเมื่อเรียนรู้คัมภีร์เหล่านั้นแล้วจึงจะสวดเป็นแต่ถ้าไม่ได้เรียนรู้เอาก็สวดตามที่เราได้นั่นแหละยังไงก็ได้นะตามที่เราถนัดแต่จริงๆแล้วการสวดให้จริงๆเนี่ยมีพระภิสูกรูปหนึ่ง ชำนาญในการสวดตามหลักฉันทะลักมากองค์นี้ไปเยี่ยมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศทูลพระุธองค์ไปเข้าคารวะพระพุธองค์และพระุธองค์เห็นว่าองค์นี้ชำนาญในการสวดวันที่พิสูตรรูปนี้ไปเยี่ยมพระพุทธองค์ก็อนุญาตให้ภิสูุรรูปเนี้จำวัดในห้องเดียวกับพระุทธองค์จำวัดทําไมให้สวดทํานองต่างๆให้พระุทธองค์ฟังองค์เนี้มีความชํานาญมาก นะก็เรียกว่าจะเอาทํานองอะไรใน32ทํานองเนี่ยสวดได้ทั้งหมดเป็นผู้เก่งในเรื่องของการสวดทํานองได้หมดเลยและก็ทํานองตามวินัยนะไม่ใช่อึเอือนจจเสียงเป็นเพลงไม่ใช่นะคือทํานองตามฉันทลันะไม่ใช่ทาทํานองเพลงนะแล้วก็หลังจากที่สวดถวายพุทธองค์ทั้งคืนจบแล้วนะตื่นเช้าฉนันเช้าเสร็จก็ไปเยี่ยมโยมแม่แล้วโยมแม่ก็ถามนะมาจากไหนก็มาจากวัด วันเมื่อคืนเนี่ยจำวัดที่ไหนจํำวัดที่วัดเชตวันจําวัดที่กุฏิไหนกุฏิเดียวกับพระุทธองค์เอาไปทําอะไรไปจําวัดกับกุฏิเดียวพระทธองค์พระพุทธองค์ให้สวดให้ฟังลูกชายโยมแม่เนี่ยสวดให้พระเจ้าฟังใช่อตาตมานี่แหละสวดให้พระเจ้าฟังโยมแม่ไม่รู้จะปลื้มยังไงมีใครบ้างที่จะสวดให้พระเจ้าฟังนะก็มีพระภิกษุรูปนี้เก่งชํานาญเรื่องฉันทะลักษณ์เรื่องการวางรูปศัพท์การใช้ออกเสียง เสียงอ่อนเสียงแข็งเสียงกดเสียงปล่อยเสียงกล้องเสียงไม่กล้องได้เสียงบทแล้วก็ได้โทนได้ฐานหกฐานได้โทนสิบโทนทํานองสามสิบสองทำนองใส่ครบเลยพราะใส่ครบคนฟังแล้วนี่เกิดปีติเกิดโสมนัสเพราะนั้นฟังแล้วเนี่ยนะคนฟังที่บอกว่าฟังแล้วหายทุกข์หายโศกก็เพราะฟังแล้วเนี่ยได้รับอรรถรสของเสียงพลังของเสียงได้เต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะญาติโยมก่อนที่นะจะได้สวดเนื้อหาต่างๆนะก็ เราก็จะได้สวดถวายนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะซึ่งก็เมื่อกี้เนี่ยได้สวดคําบาลีและคําแปลจบลงไปแล้วต่อไปก็จะได้สวดทํานองสารพันยะซึ่งถ้าทานองสารพันยะเราไม่ได้เอายังไงก็เอ า, อ า, าเฉพาะบาลีอย่างเดียวบาลีอย่างเดียวก็ได้นะเอาแค่อิปิโสนะก็สามารถที่จะสวดได้โดยเฉพาะถ้าเราอิปิิโสก็ไม่ได้ทําไงดีนโมยอย่างเดียว นโมยอย่างเดียวนะบางทีญาติโยมสงสัยเอานโมยอย่างเดียวจะได้หรือได้เอาแค่นโมยอย่างเดียวเป็นบริกรรมมาภาวนานะซึ่งก็เป็นตัวอย่างชัดเจนนะญาติโยมลองไปอ่านดูประวัตินักฟุตบอลต่างชาติจะเป็น เ, เดวิดนะเดวิดเดวิดเดวิดเบ็คแฮมก็ดีหรือบักโจก็ดีนักฟุตบอลชาวอิตาลีและชาวอังกฤษสองคนนี้นับถือคริสบ้านมีเงินทองมีครอบครัวมีทุกอย่างพร้อมหมด แต่เกิดอาการเครียดเครียดกับการทํางานเครียดยังไงกขแก้ไม่หายเพื่อนก็แนะแนําให้มานับถือพระศาสนาแล้วก็ให้ทําสมาธิเขาบอกว่าไม่มีเวลาจะไปเรียนธรรมะเพื่อนก็แนะนําไม่ต้องเรียนอะไรมากเอานนโมยอย่างเดียวนนโมยอย่างเดียวนี่แหละนะแล้วก็สวดกลับไปกลับมาสวดกกลับมาบาลีแปลบาลีแปลหนโมสศบาลีแปล แ, แล้วก็ทําดูพอทําเสร็จไม่นานได้ผลความเครียดต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยหายเป็นปลิดทิ้ง พอหายเสร็จแล้วก็มีความสุขพอมีความสุขก็เลยบอกแม่นาะแม่ซึ่งห่านะแม่อีกท่านหนึ่งก็เป็นชาวอิตาลีอีกท่านหนึ่งก็เป็นชาวอังกฤษบอกว่าตอนนี้ลูกได้หันไปนับถือพระศาสนาอย่างเต็มตัวร้อเแล้วเพราะได้นำเอาหลักธรรมขอ ง, องพระสมมาสัมพุทธเจ้าไปใช้แค่บทวันโโมอย่างเดียวเนี่ยทำให้หายเครียดจากการงานทุกอย่างแล้วก็มีความสุขอย่างที่ไม่เคยได้พบแล้วก็ประกาศให้คนทุกคนรับรู้รับทราบนกะ่อนจะลงเตะฟุตบอลทุกครั้งเนี่ย ประกาศให้ทุกคนรับรู้รับทราบว่าคำบรรจ้านับถือพระเจ้าแนัก็นโมตัส萨สามจบแล้วก็นั่งสมาธิโดยการอาบทนโมตัส萨นี่แหละมานั่งบริกรรมพอมีสมาธิลงเล่นกีฬาไม่มีความเครียดแล้วก็มีแต่ความสุขกับการทํางานอันนี้แค่นโมอย่างเดียวนะวันนี้เราอิทธิปิโสด้วยสรพันยาด้วยความเครียดต่างๆนาก็คงจะหายไปวันนี้ก็นใครมีความเครียดใดๆก็ ให้มาลายหายไปด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพในวันนี้น่ะนโมาาตส่านั้นเดี๋ยวตามาจะสวดให้ไปทําบริกรรมจะทํำยังไงแต่บทสรพันยะเดี๋ยวจะได้สวดร่วมกันน่ะตามาจะสวดนโมาาตส่าให้ก่อนก็ได้กันญาติโยมบางท่านอาจจะเอานโมาาตส่าไปนั่งบริกรรมเพื่อจะได้หายเครียดบ้างจะทํำยังไงดีน่ะตามาก็จะแนะนําให้ตามทํานองของฉันทะลักนโมนี้เป็นปัญจปฏิกาคาถาแปลว่าคาถาที่มีห้าบทบทหนึ่งนโม นอบน้อมได้กายวาจาใจตัสสะพระพุทธเจ้าตัสสรู้มาแล้ว3าล้าน5้าแสนกว่าพระองค์ตัสสะหมายเอาพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันองค์นี้องค์เดียวเท่านั้นแล้วก็พระกวโตพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่มหากรุณาที่คุณคุณคือความสงสารนาต่อสัตว์ใน31มพ่อภูมิไม่เลือกชีวิชาติวันณะใดแต่สิ้นแล้วก็อรหะโตผู้ห่างไกลจากกิเลสหมายถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณที่พระองค์บริสุทธิ์ห่างไกลจากกิเลส โดยสิ้นเชิงและก็สัมมาสัมพุทธสัพพูตัสรู้ชอบได้โดยพระงเองหมายถึงพระองค์เป็นผู้ถึงความด้วยกภาพปัญญาที่คุณอันนี้ก็แค่คุณ3อย่างแต่แปลให้ได้แล้วก็สวดนั่งบริกรรมไปความทุกข์ความโศกใดๆก็จะมาลายหายไปเอาแค่นโมอย่างเดียวก็ได้ส่วนหนึ่งจากนโมนะจากบทสรพันยะนี่เกาจากนโมด้วยอาอิติปิโส ด, ด้วยมาผสมกันแล้วก็ทําเป็นกรสรพันยะออกมาให้เราสวดเพราะฉะนั้นบทเริ่มต้นเลยก็คือนโมนั่นแหละต้องสวดด้วยฉันทลักษณ์นะเป็นคาถาที่มี5้าบท มาก็จะได้สวดให้ญาติโยมเพื่อเอาไปฝึกสวดสอนลูกสอนหลานนะร้องเพลงแบบใหม่นะเพลงอะไรเพลงพุทธคีติพุทธคีติก็คือเป็นคีติเป็นบทเพลงนอบน้อมพระรัตนตรัยนะซึ่งบทนี้เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ทุกชาติศาสนาทุกชาติก็แล้วกันทุกชาติที่นับถือพุทธศาสนา เวลาจะทำพิธีใดๆก็ตามต้องขึ้น้วยบทนี้ก็คือนโมนั่นเองซึ่งอัตมาก็จะได้สวนให้ญาติโยมได้ไปฝึกใช้ในโอกาสต่อไปนโม ทรอบน้อมด้วยกายวาจาใจจงมีแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ถึงพร้อมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ผู้ถึงพร้อมด้วยพระบริสุทธิคุณคืออรหัตตมัคคายนพููถึงพร้อมด้วยพระปัญญาที่คุณคือสัพพัญยุตยานพระองค์นั้นว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กําจัดภัยในปัจจุบันและภัยในสังสารวัฏอันนี้คือบทนโมนะที่ญาติโยม ได้ฝึกสวดสาธยายเอาไปใช้เป็นทํานองคาถาซึ่งคาถานี่มีหบทสวดตามฉันทลักษ์ก็คือสวดดังที่ได้นำสวดไปแต่ถ้าจะสวดในการรับสีนีก็ดีสวดทีละจบทีละจบสวดในการ เ, าเทพของพระถ้าจะหยุด9้าครั้งเรีย ก, กว่านามโม9ชั้นก็คือ3บทนั่นแหละหยุดสวด9้าครั้งเป็น9ชั้นแต่นมโมสมจบที่สวดไปเมื่อกี้นี้สมจบ หยุดสวด15ครั้งสามห้าสิบห้าก็คือนโมหยุดครั้งหนึ่งตัดสะครั้งหนึ่งพระควะโตครั้งหนึ่งอรหะโตครั้งหนึ่งสำ ม, มาสำมุตติสะครั้งหนึ่งนะก็ห้าสามสห้าสิบห้าครั้งในการหยุดสวดตามหลักของฉันทลักษณ์อันนี้คือสวดกลับไปกลับมาสวดกลับไปกลับม า, ส ว, บบมาสวดช้า นะแปลก่อนก็ได้แปลก่อนเสร็จแล้วก็สวดน้อมไปน้อมไปน้อมไปจิตของเราไม่นานก็จะมีสมาธิขึ้นมาด้วยพลังของการสวดนะอันนี้ก็คือเอาไปสวดได้สวดถ้จิตสงบนะถ้าต่อด้วยไตรสรนคมก่อนที่จะมาขึ้นพุทธคุณอิติปิโสภระกราเนี่ยก็มีพุทธคุณบุตรดังสรนังคัจฉามิธรรมสรนังคัจฉามิก็ต่อไปได้เลย อัจฉริตะเคปานุเปตังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพุทธังสารนังคัาชาณิข้าพเจ้าข อ, อนับถือพระเจ้าว่าเป็นที่พึ่งสวดบทนี้ต่อไปได้เลยซึ่งจะทําให้จิตที่มันกําลังหดหูท้อแท้มันก็จะเริ่มหายไปด้วยเสียงที่สวดเสียงที่เปล่งออกไปในเสียงนี้เกิดจากจิตมีจิตเป็นสมุดฐานเพราะนั้นจิตที่มันเป็นกุศลก็จะทําให้ความเศร้าโศกเสียใจความที่กุ้มใจอะไรต่างๆมันก็จะมาลายหายไปคือใจของเรานี่ก็จะเบิกบาน ด้วยพุท ธ, ธานุภาพธรรมานุภาพด้วยพุท ธ, ธานุภาพที่เรากําลังระ ล, ลึกถึงคุณของพระุธองค์อยู่นะเพราะฉะนั้นก็คือนมโมตัสสะจบแล้วก็ต่อไปด้วยพุท ธ, ธังสะระนังคัจฉามิภาหลังจากนั้นจบพุท ธ, ธังสะระนังคัจฉามิก็มาต่อไปด้วยอิติปิโสพระควาตามลําดับนะซึ่งสวดอย่างนี้จะได้อะไรแต่แปลให้ได้แปล ก, ก่อนนะคัจฉานิข้าพเจ้าขอถึงขอนับถือขอมอบตนเป็นศิษย์ขอมอบ ก, กายถวายชีวิตพุท ธ, ธังซึ่งพระพุทธเจ้า พูดแต่รู้อริยสัจทั้งสได้โดยพงเองและสามารถสอนผู้อื่นให้รู้อริยสัจทั้ง4ตามได้ด้วยสารานังว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กําจัดภัยในปัจจุบันที่จะตกถึงและภายในสังสารวัฏได้ข้าฉานี้ข้าพเจ้าขอถึงก่อนับถือธรรมังซึ่งโรกุตรธรรมทั้ง9กนะ้หรือปริยัติธรรมหนะมึ่งมัคสีผลสีนิพพานหนึ่งสารานังว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กําจัดภัยในปัจจุบันและภายในสังสารวัฏได้ ข้าฉามนี้ข้าพเจ้าขอถึงขอนับถือขอมอบตนเนสิทธิขอมอบกายถวายชีวิตสังขังซึ่งพระริยสงสารานังว่าเป็นที่ตึงเป็นที่ระลึกเป็นที่กําจัดภายในปัจจุบันและภายในสังสารวัตรได้พอแปลจบแล้วก็สวดเลยตามทํานองก็คือทํานองทํานองพุทธังสารานังข้าฉามิก็เป็นฉันทลักษณ์เหมือนกันแต่เราสวดพุทธังสารานังข้าฉามิดัมมังสารานังข้าฉามิก็ไม่เป็นฉันทะลักษณ์พุทธังสารานังข้าฉามิเป็นสาวิตรีฉัน สาวิตรีฉันก็คือฉันทลักษ์ที่มี24พยาง8ปดสามบุีรดังสารนังกัจฉามีแดพยางดํมมังสารนังกัจฉามีแดพยางสังวง จารนังกัจจามี8ดพยางคปดามยี 8, 3, 24, เป็นสาวิตรีฉันเป็นฉันทลักเมื่อเป็นฉันทะลักแล้วก็สวดให้เป็นทำนองต่อที่จะมีพลังคือสวดแล้วเรียกว่ากินใจแบบภาษาชาวบ้านคือต้องแปลก่อนแปลให้ก็จะความหมายแล้วก็สวดใส่ทำนองเข้าไปพลังมันก็จะเกิด นะ่ะคือสวดไปจิตเราก็น้อมไปในความหมายได้นะ่ะและพลังของเสียงก็เกิดขึ้นนะ่นะสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์นะเพราะนั้นพุทธังสะระนังคชามิก็จะสวดทีรับประโยชนที่ประโยค์ให้ญาติโยมได้ฟังนะ่ะก่อนหลังจากนั้นก็ใส่ทํานองให้นะ่ะตามที่ฉันทลักที่จะเกิดขึ้นตามลักษณะของสาวิตรีฉันบุดังสระ กับ เคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปานุเปตังตลอดชีวิตพุทธังสรนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอนับถือพระเจ้าว่าเป็นที่พึงแชดตเคปานุเปตังบุตรังสรนังกัจฉามิแชดตเกปานุเปตังดำมังสรนังกัจฉามิแชดะเคปานุเปตังสังกังสรนังกัจฉามิ อันนั้นคือตามฉันทลักษนะที่ญาติโยมจะฝึกฝึกสวดไปแปลไปสวดไปไปฟวาหมายเข้าใจได้ปัญญาเกิดสวดแล้วได้พลังของเสียงศรัท ธ, ธาก็เกิดทั้งศรัท ธ, ธาและปัญญาเกิดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะได้จากการสวดสารทายาทเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณตอนนี้นโมก็สวดแล้วนะพุทธังสรนังกชามีก็สวดแล้วต่อไปก็จะนําญาติโยมสวดทํานองสารพัญญบทประพุทธคุณ นะก็คือเป็นกาบยานีซึ่งอาตมาก็จะนำสวดสาธยายในโอกาสนี้หลังจากนั้นก็จะอธิบายขยายความแต่ละคำต่อไปเปิดหนังสือหน้าที่สี่องไดพาสัมพุทธโสวิโสทธสสันดานตัดโมด กาเลสมานบ่มีมองมีมองมัวหนึ่งในพระททยทันก็เบิกบานคือดอกบัวรากิ य, บ่ผ่นปัวสุวคนทากรรมจรอนองไดปรากอบด้วยพระการุนาดังสะคอนโปรดมูด ป้าชาคนมาลาโอโาการดานชีทาบรรเทาทุกข์และชีสุขเกษมสาน จีทางพระนาเรปานอันปนโสวิโยภัยพร้อมเบนจากิดาจากสุจารัดวิมลใย เห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนจบมาจักจริงกรรมจัดน้ำใจหยับ สันดานบาปแห่งชายยญิงสัตว์โลกได้พึ่งพิงมาละบาปบำเพ็ญบุญ้าขอ ป้นน้อมศีลกราบบังคมคุณสำพุทธาการุณย่าพนานนิรันด ก็เป็นบทที่ญาติโยมได้สวดกันเป็นประจำแล้วก็มีการแข่งขันสวดพุทธคุณด้วยทํานองสารพันยะแต่การที่จะแข่งขันอธิบายขยายความแล้วก็เอาเนื้อหานะยังไม่มีการแข่งขันกันในจุดนี้นะโอกาสหน้านะโยมอรณีถ้ามีโอกาสนะก็คือสวดเพาะด้วยอธิบายขยายความแข่งขันด้วยใครเข้าใจบทนี้ได้ดียิ่งนะก็เรียกว่า ในภาษาไทยเนี่ยจะเป็นหลักสูตรม .4 นะหลักสูตรภาษาไทยเนี่ยก็เลยกมีการอธิบายความอย่างละเอียดพิสดารให้เกิดความเข้าอกเข้าใจภาษามันเพราะแต่ว่าองค์ความรู้มันเข้าไม่ถึงอัธรสมันเลยไม่เกิดแต่ท่า้าได้เพราะด้วยได้อัธรสดด้วยความทราบซึ้งความปีติก็จะได้เกิดขึ้นเราไม่ได้กราบพระอิฐพระปูลแต่กราบพระคุณของพระองค์โบราณก็เตือนนักเตือนหนาไหว้พระพุทธ ใจอย่าหยุดอยู่ที่ทองคําไหว้พระธรรมใจอย่าหยุดอยู่ที่คัมภีร์ใบลานไหว้พระสงฆ์อย่าจํานงหมายว่าเป็นพระลูกพระหลานเวลาไหว้พระพุทธให้ใจเราน้อมไปในพุทธคุณทั้ง9้าให้ได้เวลาไหว้พระธรรมให้ใจเราน้อมไปในธรรมคุณทั้งหกให้ได้เวลาไหว้พระสงฆ์ให้ใจเราน้อมไปในสังฆคุณทั้ง9้าให้ได้อันนี้คือคุณพื้นฐานเป็นพุทธคุณทั้ง9้าบทถ้าพุทธคุณหกสามบทก็ น, นโมตสระ พุทธคุณ9้าบทก็อิติปิโสถ้าพุทธคุณร้อยแก็เอาบทนั้นมาขยายต่อไปเช่นอยอดพระ ก, กันพระไตปิดกก็เอาพุทธคุณนั่นแหละมาขยายมาสวดกลับไปกลับมาเอาพุทธคุณแต่ละบทแต่ละบทมาสวดกลับไปกลับมาเพื่ออะไรเพื่อให้ใจเราน้อมไปในพุทธคุณให้ได้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่ญาติโยมน่ะจะได้รับรู้รับทราบเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะอธิบายขยายความนะเรื่องการสวดสรพัน ญ, ญะน่ะซึ่งการสวดสรพัน ญ, ญะนั้น จริงๆแล้วน่ะพระสวดได้ไหมโยมสวดได้ไหมน่ะถือศีลแปดสวดจะผิดศีลข้อที่นัจคีตาไหมน่ะโยมปสงค์ใส่เนี่ยนัจะคีตาวาทิตะวิสุกทัศนะ อ, อักยมวันนี้วันพระน่ะท่านมานำสวดสารพันยศีลโยมขาดหมดน่ะตกใจไม่กล้าสวดไม่ใช่นะสวดสารพันยะทํานองที่มันเป็นเพลง อย่างนั้นเนี่ยก็คือศีลจะขาดนะแต่ทํานองในลักษณะของฉันทลักษ์ถ้าอยู่ในช่วงทํานองของฉันทลักษณ์ไม่เกี่ยวกับศีลขาดนะก็คือบทเพลงนั้นบทเพลงเนี่ยสวดไปเขาจะใส่ดนตรีไปด้วยแล้วก็ใจในขณะที่ร้องเพลงเนี่ยใจมันเป็นโลภะโสมนัสแต่ในขณะที่สวดนี้จิตมันเป็นมหากุศลโสมนัสแล้วก็ตามหลักฉันทลักษณ์นะไม่ได้ตามหลักของเพลง เพราะนั้นตามหลักของเพลงเนี่ยมันก็จะมากนะอธิบายขยายความยืดยาวแล้วก็นะบทเพลงนั้นไม่ได้เน้นเนืนเน้อหาอะไรเน้นทํานองอย่างเดียวเป็นหลักนะอันนี้ก็เพราะฉะนั้นวันนี้นจากคีตากศีลกว่านี้ก็คงไม่มีปัญหานะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เสียงการใช้เสียงดึงดูดซึ่งการใช้เสียงดึงดูดให้คนเข้าวัดพระเจ้าพิมพิสารองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ร่วมกันวางแผนให้พนางเขมาเถรี ซึ่งเป็นคนที่เกลียดวัดมากๆากทำไมจึงเกลียดวัดเขาเองเป็นคนสวยงามที่สุดในเมืองนี้แต่พระพุทธเจ้าเทศเมื่อไร่ก็อสุภะไม่สวยไม่งามอสุพะไม่สวยไม่งามมันไม่ถูกกระจริตไม่ไปวัดไม่ไปวัดถ้าพระพุทธเจ้าเทศเรื่องสวยเรื่องงามเมื่อไรจะไปวัดแต่พระพุทธเจ้าไม่ยอมเทศสักทีก็เลยไม่ยอมไปวัดนะพระเจ้าพิพิสารกับพระโอค์ก็วางแผนร่วมกันเอาความงดงามของวัดเชตวันไปแต่งกรอนแล้วก็ไปให้นักร้องร้องเพลงไปทั่วเมือง แล้วบอกว่าเชตะวันอขออภัยเวลุวันแห่งนี้ถ้าใครไม่ได้ไปก็จะเสียทีชาติเกิดมันสวยสดงดงามอย่างกับน่ะสวงสวรรค์น่ะชั้นดาวดึงก็พัฒนาไปนางก็บอกเอ๊ะมันสวยขนาดนั้นเฉรือไม่ไปไม่ได้แล้วต้องไปแต่พอไปแล้วไปเลยกับพุทธองค์กับพระเจ้าพิมพิสารวางแผนเรียบร้อยแล้วพอไปถึงก็ไปเห็นสิ่งที่มันตรงกับข้ามกับที่ตัวเองคิดตอนสุดท้ายก็ได้เข้าวัด ยังไม่ได้แสดงยังไม่ได้ฟังทำแม้แต่บทเดียวเลยได้บรรลุเป็นพระอริยาบุคคลเพียงแค่พระองค์แสดงคล้ายๆกับละครใบ้นั่นแหละนะฮะละครใบ้ที่พระองค์แสดงให้พนางเขมาตอนแรกใช้เสียงบทเพลงดึงเข้าวัดพอเข้าวัดพระองค์ก็แสดงละครใบ้นะก็คือเนรมิตให้หญิงสาวสวยมายืนถวายงานพระจนกระทั่งหญิงสาวนั้นเนี่ยแก่ลงแล้วก็ชราจนกระทั่งเสียชีวิตต่ตอหน้าตาแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกซึ่ง พระองค์เนรมิตรให้พระนางเขามาเห็นนั่นตั้งต้นจนจบยังไม่ได้แสดงยังไม่ได้ฟังธรรมแม้แต่บทเดียวได้บรรลุปเป็นพระอริยะบุคคลจุดเริ่มต้นคือใช้เสียงดึงเข้าวัดพันวันนี้เรามาก็ใช้เสียงดึงญาติโยมมาฟังก็แล้วกัน <c oughs> นะดึงไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะวันวันนี้ก็จะอธิบายขยายความพุทธคุณองค์ใดพระสัมพุทธนะซึ่งตรงนี้เนี่ยญาติโยมจะได้ฟังและเกิดความเข้าอกเข้าใจ เออเขาสวดกันได้ยิงบ่อยๆเลยบทองคใดพระสัมพุทธเนี่ยเขาใส่ดนตรีบทเพลงก็เพราะแต่ทําไมมันไม่เข้าใจวันนี้แหละญาติโยมจะได้เกิดความเข้าอกเข้าใจองค์ใดพระสัมพุทธก็คือแปลเป็นภาษาไทยว่าองค์ใดก็คือพระพุทธเจ้าองคใดสัมพระสัมพุทธก็เป็นคําย่อคําเต็มๆก็คือสัมมาสัมพุทธะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดนั่นเองซึ่งสัมมาสัมพุทธะก็แปลว่าสัมมา ก็คืออ้าวแล้วทาไมอิติปิโสไม่ตามลําดับละ่ะทำไมไม่เอาอารหังก่อนมาอธิบายขยายความทําไมไปเอาบทที่สองสัมมาสัมพุทโธนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสัมมาสัมพุทธะเป็นก็เป็นชื่อนะเป็นพระนามหนึ่งที่เราเรียกพระองค์ไม่เรียกว่าอารหังนะกับคล้ายๆกับว่าสัมมาสัมพุทธะเป็นชื่อเรียกพระองค์ส่วนอรหังก็เป็นคําขยายนะเป็นคุณนามในลักษณะอย่างนี้ก็เลยเอาคําว่าสัมมาสัมพุทธะมาอธิบายขยายความก่อน แทนที่จะอธิบายขยายความบทว่าอรหังก่อนไม่เอาเอาพระสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตัดรู้ชอบโดยพระองค์เองเอาคํานี้อมาอธิบายขยายความก่อนขยายยังไงสัมมาสัมพุทธ h มาจากสัมสัมมาบทหนึ่งสังบทหนึ่งพุทธะบทหนึ่งสัมมาสัมมาแปลว่าโดยชอบสังด้วยพระองค์เองพุทธะแปลว่ารู้แจ้งอริยสัจทั้ง4ี่ พระองค์งทรงรู้แจ้งอริยสัจทั้งสี่ได้โดยพระองค์งเองเรียกว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธะหรือองค์ใดพระสัมพุทธก็คือพระองค์งตรัสรู้ธรรมทั้งปวงนะโดยชอบโดยพระองค์งเองเพราะพระองค์งเองตรัสรู้ธรรมทั้งปวงธรรมทั้งปวงที่พระองค์งรู้เอาง่ายๆก็คืออริยสัจทั้งสี่ถ้าเอายากๆล่ะเอายากๆ ก, ก็เรียกว่าตรัสรู้เยียยธรรมหประการเยียธรรมแปลว่าะวะอะไรทำที่ควรรู้ มีอะไรบ้างหนึ่งสังขาร2วิการรูปสามลักษณะ4ี่นิพพานห้าบัญญัติก็สังขารก็ดีคำว่าสังขารเนี่ยทั้งปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอาเนนชาพิสังขารทั้รูปสังขารนามสังขารกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารสังขารนี่ได้ทั้งอย่างเลยทั้งรูปทั้งนามนะส่วนวิการนั่นคือวิการรูปสลักษณะก็คือลักษณะรูป4ี่และแต็นิพพานและก็บัญญัตินั่นคือเรียกว่าเยียธรรมเป็นธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ ทำที่ควรตัดสรู้พระองค์ก็ตัดสรุ้ชอบดโดยด้วยพระองค์เองด้วยอำนาจของสัพพัญยุตยานตัดสรุปโดยที่ถูกต้องไม่วิปริตผิดพลาดแต่ประการใดอันนี้คือองค์ใดพระสัมพุทธซึ่งศรัทธาญาติโยมสาธุชนนะจะรู้อ๋อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสรุปอะไรบ้างนะเอาง่ายๆพระพุทธเจ้าตัดสรู้อะไรตัดสรุ้อริยสัจทั้ง4พุทธะแปลว่าผู้รู้แจ้งรู้แจ้งอะไรจึงเป็นชาวพุทธรู้แจ้งอริยสัจทั้ง4จึงเป็นชาวพุทธ อาแล้วญาติโยมรู้เป็นชาวพุทธกหรือยังตอนนี้วันนี้ก็จะหลอกถามนิดหนึ่งพุทธะวันนี้จะมีสัมมาสัมพุทธะปเจกพุทธะอนุพุทธะสาวกพุทธะสุตภาพะมีพุทธะอยู่ห้าประเภทวันนี้ญาติโยมเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหรือยังโยมเป็นหรือยังวันนี้ญาติโยมเป็นสาวกสาพุทธะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหรือยังเป็นหรือยังเอาใครบอกเป็นแล้วยกมือขึ้น ยกสูงๆเลยโยมอาตมาจะได้ s awesome. <S ชื่นใจตานิดนึงอ้าวอ้าอยกเลยไม่ต้องเกรงนะต้องอาหารนะนาสาวกะกาพุทธะนะเป็นสาวกของพุทธเจ้าแล้วเอาสาธุสาธุสาธุคำว่าสาวกะกาพุทธะโยมนับตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปวันนี้ในห้องนี้มีพระอริยะโยยะโยมนะาทัศนานุตริยะโดนหลอกซะแล้วโยมน้าแต่ถ้าได้บรรลุจริงๆก็นะ ก็คือเห็นแจ้งอริยสัจทั้งสีด้วยภาวนามายาปัญญานั่นแหละคือสาวกอาพุทธะสัมาสัมพุทธะผู้รู้แจ้งอริยสัจสีได้โดยพรองค์เองและสามารถสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามได้ด้วยปัเจกพุทธะรู้แจ้งอริยสัจทั้งสีได้เฉพาะพระองค์ไม่สามารถสอนคนอื่นได้อนุพุทธะรู้แจ้งอริยสัจทั้งสีแล้วก็รู้ตามแล้วก็สอนผู้อื่นให้รู้ตามได้ด้วยสาวกะพุทธะ อนุพุทธะก็เป็นพระอารหันต์สาวกสาพุทธะตั้งแต่โสดาบันจนถึงอรหัตตะมรกอันนี้คือสาวกสาวพุทธะรู้แจ้งอริยสัจทั้ง4ี่ตามพุทธเจ้าและก็สอนคนอื่นได้ด้วยเป็นสาวกสาพุทธะส่วนถ้ายังไม่ได้บรรลุก็รู้เหมือนกันอริยสัจสีอ่านเข้าใจจำได้ฟังบ่อยรู้ทุกสมุทัยนิโรธมกักอันนี้คืออริยสัจทั้งสีทะรู้แบบนี้แต่ละกิเลสไม่ได้เรียกว่าสุตตะพุทธะ สุตตะแปลว่าสนับต่อฟังเข้าอกเข้าใจยอมรับนับถือสุตานี้ไม่ใช่ฟังอย่างเดียวอ่านก็ได้นะอ่านแล้วโยมไม่ได้ฟังหรอกแต่อ่านเข้าใจอ๋ออริยสัจสี่มันคืออะไรบ้างก็ท่องได้อัน น, น, แบบ น, ะะ น, นี้ก็เรียกว่าสุตะพุทธะความเป็นชาวพุทธแบบฟังแล้วก็ยอมรับนับถือเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้บรรลุก็เรียกว่าสุตตะพุทธะก่อนก็แล้วกันนะโยมแต่วันนี้ก็ได้เจอพระอริยะนะหลายคนอยู่ในห้องนะเป็นภาษสาวกสาพุทธนะนะเอาไว้เป็นลายนะองค์ใดภาษาพุทธนะนะ พระพุทธเจ้าตสรุปธรรมที่ง่ายๆก็คืออริยสัจสี่ธรร ม, รมที่ลึกๆที่ใช้ศาสต์เทคนิคก็คือตัดสรุปเยียธรรมห้าตัดสรู้อภินเยียธรรมธรรมที่ควรรู้ยิ่งด้วยปัญญาอันพิเศษอภินเยียธรรมหรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรู้ปรินเยยธรรมถ้าใช้คําว่าปรินเยยธรรมโยมก็งงถ้าตัดสรู้อริยสัจทั้ง4คือทุกขสัจจะอ๋อ ภูกระสัจจะเรียกว่าปรินเยยยธรรม ท, ท, ทำที่ควรกําหนดรู้แล้วพระองค์ก็ตัดสรูุ้ปะหาตับพระธรรมทำที่ควรละคือสมุทยัยพระองค์ตัดสรลุจัชิกาตับพระธรรมทำ ท, ำที่ควรกระทาให้แจ้งคือพันิพานพระองค์ตัดสรูุ้ภาเวตับพระธรรมทำที่ควรให้เจริญคือมักสรุปแล้วก็อริยเสร็จอริยศาสตร์ทั้งสี่นั่นแหละแต่ถ้าใช้ศัพท์เทคนิคมากๆโยมก็จะไม่เข้าใจพระเจ้าตัดสรลุอะไรตัดสรลุเยยยธรรมห้าเยยยะธรรมห้าอะไรก็ไม่รู้คณิงงงแล้ว หรือตัดสรุว่าอะไรปริญเยิ ญ, ญยะธรรมปรหาตถธรรมสัจจิการตถาธรรมภาเวตตถธรรมนี่คือธรรมะที่ลึกซึ้งน ะ, ะลึกขนาดนั้นโยมก็เป็นเพียงแค่คำศัพท์ทางเทคนิคพระเจ้าตัสรุอริยสัจทั้ง4ีแค่นี้ใช้ได้แล้วนะอันนี้คือสัมมาสัมพุทธะองค์ใดพระสัมมาสัมพุทธะคือตัดสรุอริยสัจสีชอบได้เดี๋ยวพระองค์เองไม่มีครูบาอาจารย์ไม่ต้องอ้างครูบาอาจารย์ที่ไหนนะพระองค์ตัสรุเองทำไมจึงตัดสรุได้เองเพราะพระองค์สร้างบารมีมาสีอสงไขยแสนกับ คืออริยสัจทั้งสพระองค์ก็ได้ฟังมานะพบชาติไม่ถ้วนแล้วแต่ได้แค่สุ่ต่างมยปัญญายังไม่ทําให้เกิดด้วยภาวนามายปัญญาวันที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นพระองค์ทําอริยสัจทั้งสให้เกิดด้วยภาวนามายปัญญาเพราะฉะนั้นจะแตกต่างกันนะอันนี้ก็คือองค์ใดพระสามพุทธสุวิสุทธสันดานสุวิสุทธสันดานสันดานในที่นี้เนี่ยไม่ต้องเป็นคําด่านะโยมสันดานเนี่ยโอ้สันโดษสันดานเราเอาไปคาําด่าไม่ใช่นะ สันตานะแปลว่าการสืบเนื่องอะไรสืบเนื่องวิถีจิตกระแสจิตที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดับขึดับเรียนดัไปเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิดอุปาทาทิฏติบังครอุปาทาทีฏเดียวกว่าวิถีจิตที่มันเกิดอย่างต่อเนื่องตามดับไม่ขาดสายน่ะก็เรียกว่าสันตานะหรือสันดานแต่ภาษาไทยโอ้สันดานน่ะสันดานคนนึกถึงสันดานก็อาจจะเป็นคำด่าแต่จริงภาษาบาลีไม่ใช่คำด่านะแต่อยไปเห็นว่ามันสันดานมันมีลักษณะอย่างไร ตอนคนป่วยนะคนป่วยเขามีเครื่องนะมีคอมพิวเตอร์อตัวขีดที่มันหยกัยกหยกัย ก, ยกต่ออย่างไม่ขาดสาย น, นั่นเอวิถีจิตที่มันเกิดขึ้นอย่างไม่ขาดสายนั่นแหละคือสันตานะแปลว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอุปา ท, าทิฏฐิปังคาเกิดขึ้นอย่างไม่ขาดสายของกระแสจิตหรือวิถีจิตอันนี้คือสันตานะหรือสันดานเพราะฉะนั้นสุวิสุทธสันดานพระ อ, องค์ทรงมีขันธสันดานอันบริสุทธิ์ยิ่ง ขันธสันดานนะสุวิสุทธิก็คือสุบทีหนึ่งวิบทีหนึ่งสุธิบทีหนึ่งวิก็แปล่าโดยพิเศษสุก็ด้วยดีสุธิก็แปลว่าบริสุทธิ์พระขันธสันดานของพระองค์เนี่ยบริสุทธิ์โดยพิเศษบริสุทธิ์จากอะไรบ้างบริสุทธิ์จากกิเลสทั้งปวงพร้อมทั้งวาสนานะเอาจิตดวงไหนที่บริสุทธิ์โดยนะบริสุทธิ์โดยพิเศษเนี่ยหมายถึงอรหัตธรรมกจิต คำว่าบริสุทธิ์โดยพิเศษเนี่ยเอาจิตดวงเดียวนะโยมอรหัตตมัคคจิตดวงเดียวก็คือบทว่าอรหัตโตหรืออรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสถ้าบทว่านโมคืออรหัตโตถ้าอิทธิบิโสเอาเฉพาะอรหังบทนั้นแหละคือห่างไกลจากกิเลสนะอันนั้นแหละคือบริสุทธิ์โดยพิเศษเรียกว่าสุวิสุทธสันดานเพราะในขณะที่อรหัตตมัคคจิตเกิดขณะจิตเดียวนั่นแหละห่างไกลจากกิเลส นอกจากทางไกลจากกิเลสแค่นั้นหรือวาสนาก็ถูกตัดด้วยญาติโยมกระสงสัยวาสนามันดีๆตัดไปทําไมนะวาสนานี่มีสองอย่างวาสนาที่เป็นอกุศลก็ได้วาสนาที่เป็นกุศลก็ได้วาสนาคือความเคยชินหรือกลิ่นอายแห่งกิเลสก็ได้กลิ่นอายแห่งกรรมวจรกุศลก็ได้นะเหมือนเรามีไหหรือหม้อใบหนึ่ง ใส่สุราเข้าไปขวดก็ได้เอาขวดขวดใบหนึ่งใส่สุราเข้าไปแล้วก็เท ส, สุราออกหมดเลยล้างจนขวดมันแห้งสนิทแล้วก็เอาขวดมาตั้งลองดมดมกลิ่นดมดิขวดมันก็ยังมีกลิ่นสุราอยู่เอา้ามันมีสุราไหมไม่มีเลยมันแห้งสนิทเลยแต่ไอกลิ่นกลิ่นของสุรานี่ยแหละในลักษณะอย่างนั้นเรียกว่าวาสนาวาสนาแปลว่าอบวาสนาคําเนี่ยแปลว่าอบอบอะไรไม่ใช่อบเชยนะ ขนมอะไรที่ก็เอากลิ่นมาอบมาแหละแบบเดียวกันเอากลิ่นมันอย่างเดียววาสนาก็เช่นเดียวกันมันอบอยู่ในขันทศสันดานของเรามันไม่ใช่กิเลสมันเป็นทั้งกุศลและอกุศลนั่นคือตัววาสนาดีและไม่ดีสองอย่างมันมันอบเป็นกลิ่นมันไม่มีปฏิกิริยาใดๆแต่กลิ่นของมันยังมีอยู่นั่นแหละคือวาสนาขันทศสันดานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบริสุทธิ์จากกิเลสและวาสนากิเลสก็เกลี้ยง กลิ่นอายของกิเลสคือวาสนาก็ไม่มีบางทีในกิเลสถ้ตัดไปแล้วนะบางคนก็บอกกิเลสตัดแล้วเหลือแต่ตัณหาไม่ใช่นะกิเลสถ้าตัดแล้วแต่กลิ่นอายของกิเลสก็ไม่เหลือเลยนะอย่างเช่นภาษาลิบุตรบางทีเราอาจจะเคยได้ยินด้วยภาษาลิบุตรเนี่ยเคยเกิดเป็นลิงหลายพบหลายชาติมีอยู่ครั้งหนึง่งนะโยมลุงนิมนต์ไปรับไตจีวรนนะด้วยความที่ท่านเดินไปเดินไปก็เห็นคลองน้ําเห็นคลองน้ํา เห็นคลองน้ําก็นิสันดานที่เคยชินเนี่ยวาสนาที่เคยสะสมมาหลายพ่อหลายชาติเคยเกิดเป็นวานอนพอเห็นคลองน้ําแทนที่จะเดินลุยคลองน้ําไม่เอากระโดดข้ามจุกนาโยมลุงก็เป็นพระอรหันต์ด้วยเป็นอัครสาวกด้วยคลองน้ําแค่นี้กระโดดเลยแทนที่เดินข้ามอย่างสํารวมไม่ไม่เดินแล้วโดดทีเดียวเลยบอกไม่เอาไม่ถวายสี่ห้าไตมาเหลือไตเดียวนะเหลือสองไตไปเห็นอีกคลองนึง พอเห็นอีกคลองหนึ่งแทนแทนที่จันจะกระโดดเหมือนคลองแรกท่านก็นึกได้สำรวมก็เดินเดินลงไปในคลองแล้วข้ามไปโยมรุงก็บอกถ้ากระโดดข้ามอีกคลองหนึ่งที่เหลืออีกไตหนึ่งก็ไม่ถวายแล้วพนะ ด, ดแน่นอนเพราะนั่นคือจริงๆแล้วนี่อันนี้คือเรื่องเล่านะภาษาลีบุตรเนี่ยก็คือเกิดเป็นวานอนหลายพบหลายชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยวาสนาของท่านที่เคยเป็นวานอนก็ธรรมชาติวานอนคือลิงเนี่ยกระโดดโลดเต้นเป็นธรรมดา เพราะนั้นเวลาท่านเดินคล อ, องน้ําแต่ที่ท่านจะเดินลงเดินลุยข้ามไปกระโดดที่เดียวเลยผ่านนะอันนี้ก็เรียกว่าวาสนานะอันนี้ก็คือแต่หลักฐานตรงนี้นะที่บอกว่าพระสารีบุตรกระโดดข้ามเนี่ยหลักฐานจ ร, จริงยังหาไม่เจอแต่เป็นการที่อธิบายป่าต่อป่าก็แล้วกันนะแต่คือลักษณะของวาสนาองค์ที่ละวาสนาได้กิเลสพราะมต้งวาสนาได้มีเฉพาะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นภาษาวกทั้งหมด ละได้เฉพาะกิเลสวาสนาละไม่ได้นะอันนี้คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยพระขันธสันดานของพระองค์บริสุทธิ์โดยพิเศษก็คือกิเลสก็หมดเกลี้ยง วาสนาก็หมดเกลี้ยงไม่มีอะไรน่ะอยู่ในพระไทยของพระองค์ในขันธสันดานของพระองค์ไม่มีสิ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบริสุทธิ์โดยวิเศษก็ใช้คําว่าสุวิสุทธสันดานสันดานคือขันธสันดานสุวิสุทธิบริสุทธิ์โดยพิเศษทั้งกิเลสทั้งวาสนาไม่มีกลิ่นอายของกิเลสกิเลส ก, ก็หมดเกลี้ยงกลิ่นอายของกิเลส ก, ก็หมดไปอันนั้นก็คือสุวิสุทธสันดานตัดมูลกาเลมาน าบางท่านก็บอกเอ๊เคยเจอมากิเลตมานบางฉบับว่าเ ก, กเลตมานกิเลตมานกับเกเลตมานเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนกิเลตมานเนี่ยเป็นบาลีเกเลตมานก็เป็นสรรันสกฤตหรือจะใช้เป็นบาลีก็ได้นะก็เอาอีเป็นเอเขาเรียกว่าพุทธพุทธอีเป็นเอเป็นเกเลตมาน เพราะฉะนั้นถ้าไม่เป็นกิเลสมันก็เป็นกเลสมานใช้ได้ทั้งสองคำนะเพราะฉะนั้นก็คือวิธีการแปลงอีเป็นเอก็เรียกว่าวุท ธ, ธิหรือพลติมีหลักการอยู่าบางฉบับจะไปเจอตัดมูลกิเลสมานบางฉบับตัดมูลกะเลสมานแล้วก็ไปนั่งเฉียงไม่ต้องเฉียงก็หรอกความหมายเหมือนกันเฉียงไปกระต่างคนต่างไม่รู้ไม่เรียกว่าตาบอดคร้ำช้างนะคำไปก็ทั้งสองคนนะถูกแต่มันถูกคนละจุด วันนั้นนะตรงนี้กิเลสก็ได้กรเลสก็ได้ตัดมูลกรเลสมารคืออะไรพระองค์ตัดกรเลสมารได้อย่างถอนรากถอนโคนโดยประการที่กิเลสมารจะเกิดไม่ได้อีกคือตัดแบบถอนรากถอนโคนเลยเป็นสมุเทเฉตปะหานนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคำพูดก็เป็นอุปัตขณะในเป็นเครื่องหมายไม่ใช่ตัดเฉพาะมูลกิเลสมารอย่างเดียวนะนะก็คือกิเลสมานเนี่ยมามีอยู่หชนิดขันธมาร นาคันถ้มารกิเลสมารมัจุมานอภิสังขารมารเทพบุตรมานมานอีกสี่ชนิดก็ตัดด้วยไม่ใช่กิเลสมานอย่างเดียวมูลมีสองมูลมูลเก่ากับมูลใหม่มูลเก่าคืออะไรมูลเก่าคืออวิชชามูลใหม่คือตัณหามูลคืออะไรมูลคือรากของสังสารวัตรรากของวัตตะมูลในที่นี้เนี่ยแปลว่ารากรากของวัตตะต้นตอของวัตตะคืออวิชชาและตัณหา มูลเก่าค like like cool. ืออวิชชามูลใหม่คือปัญหาตัดมูลทั้งสองเกลี้ยงแล้วกิเลสล่ะไม่ใช่กิเลสอย่างเดียวไม่ใช่กิเลสสมานอย่างเดียวน่ะกิเลสสมานด้วยแล้วมานที่เหลือทั้ง4ี่ก็ตัดได้ด้วยเอากิเลสมานแล้วอย่างอื่นมีไหมเสนามานอีกทั้ง10เสนามานน่ะคืออะไรน่ะกิเลสมานก็คือตัวกิเลสเสนามานมีสิบคืออะไรบ้างเสนามานมีสิบก็คือหนึ่งกามะ 2ความไม่ยินดีสความาหิวสี่ความกระหายหาตัณหาหกทีนมิถะเจความขาดกลัว8ดความสงสัยและก็ความลบดูและความหัวดื้อนะแล้วก็า ล, กลกานะลลบสการะและก็ยศที่ได้มาผิดอันเป็นเหตุให้บุคคลยกตนขมดูหมิ่นผู้อื่นอันนี้ก็เรียกว่าเสนามานเสนามานเสนาก็คือทหารนั่นเองทหารของพญามารเรียกว่าเสนาแมานนะแล้วมานที่มาจริงๆในวันที่พระเจ้าตรัสรูล้ล่ะ อันนี้นก็คือเทวบุตรมานพร้อมทั้งเสนาและกิเลสมานพร้อมทั้งเสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มีทั้งนามประามและลูปธรรมสองอย่างโยมต้องเข้าใจนะเทวบุตรมานมีจริงๆริงไหมมีใครคือเทวบุตรมารเท้าประนิมมิตะ ว, ะวัสวรตีมานนั่นคือเทวบุตรมานและบริวารของพระ อ, องค์ก็คือเสนามานกิเลสมานเขามีบริวารไหมกิเลสมานก็มีบริมาณของกิเลสมานก็คืออย่างสิบอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อกี้เนี่ย นาะขันถ้ามานล่ะก็เช่นเดียวกันมัดจุมานล่ะก็เช่นเดียวกันมีทั้งตัวมานและมีทั้งศีนามาร น, นะเพราะฉะนั้นคําว่ามัดจุมารเนี่ยนะใครคือมัดจุมานมัจจุมานมารคือความตายแล้วก็นึกถึงโย ม, มาทูตนะแล้วก็มีบริวารไมโยมมาทูตก็มีไม่ได้มาคนเดียวหรอกเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะพระองค์ตัดสรุตัดมูลกิเลสมานก็คือเป็นคําพูดอยู่คําเดียวแต่เอาทั้งหมดเลยกิเลสทั้งหมดมเหมือนคําศัพท์อยู่คําหนึ่ง พระราชาได้เสวตาชัดพอได้เสวตาชัดเครื่องราชกกุธภัณฑ์ที่เหลืออีกสี่ประการก็ได้ทั้งหมดนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันตัดมูลเกเรตมานเอาแค่นี้หมดหรือหมดข้อมูลเนี่ยไม่ได้บอกว่ามูลกี่มูลมีสองมูลมูลเก่ามูลใหม่เกเรตมานและมาที่เหลืออีกก็สามารถเอาได้โดยอุปลักษณะในที่พูดเอาแค่ส่วนเดียวแต่เวลาหมายรวมเอาทั้งหมดเลยอันนี้คือตัดมูลเกเรตมานนะ ญาติยโยมจะได้เกิดความเข้า อ, อกเข้าใจว่าอ๋อมันมีสิ่งเหล่านี้เองนะแล้วต่อมาบ่ ม, มีมนมีมองมองัวก็คือพระองค์มีแด้แปดเปื้อนไป่ไธรทำที่เป็นฝ่ายกิเลสเครื่องเศร้ามองแต่เล็กน้อยนะเพราะพระองค์ทรงละกิเลสพัน0ตันหาร้อยกิเลสมันก็มี10แต่ทำไมมีพันห้าญาติโยมมาจะสงสัยนะกิเลสก็มีแค่10นะแต่ทาไมมันเป็นพันหได้นะก็เอา กิเลสภายในกิเลสที่อาศัยขันธ์สันดานของตนเองขันธ์สันดานของผู้อื่นเอาทวารเอาอารมณ์เอาวัตถุเอาสิ่งเหล่านั้นมาบวกมาคูณณมาคูณไปคูณไปคูณไปกิเลสก็กลายเป็นพัน0้าขึ้นมานาพลังกิเลสพันห้เนี่ยไม่ใช่คาพูดคล้องจองเป็นจริงๆกิเลสที่อาศัยรูปขันธ์ที่กิเลสที่อาศัยเวทนาขันธ์กิเลสที่อาศัยสัญญาขันธ์กิเลสที่อาศัยสังขารขันธ์กิเลสที่อาศัยวิญญาณขันธ์นาในวัตถุ6กทวาร6อารมณ์6กกิเลสเข้าไปเกิดได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นกิเลสจึงมีจำนวนถึงพันหและตัณหาก็มีจํานวนถึงร้อตัณหาร้8ก็เออคํามันคล้องจองไปหรือเปล่าไม่คล้องจองจริงๆมันร้อยแปยังไงบ้างปัญหาก็คือ1องค์ธรรมได้แก่โลภะโลภะเจตสิกหรือสมุทัยสัจจานั่นเองตัณหาขยายเป็น3ามกามตัณหาเพราะวตัณหาวิภวะตัณหากามาตัณหาก็ต้องการรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภาวะตัณหาต้องการเกิดในภพภูมิที่ถาวรก็คือเกิดในพรหมโลก วิพา ต, ตันหาก็ตายให้รู้แล้วรอดจะได้จบจบเนี่ยก็คือข้อที่สเนี่ยทําให้เกิดมีการฆ่าตัวตายขึ้นมาคิดว่าตายแล้วศูนคือวิพาทตันหาวิภวทตันหาวิพวท ต, ตันหะนหโอ้ยคนเราตายแล้วมันก็จบจบกันไมีอะไรหรอกมีใครกลับมาเกิดใหม่หรอกเพราะนั้นน่ะมีปัญหานักก็ฆ่าตัวตายซะให้รู้แล้วรอดก็เลยมีคําสับว่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวจริงๆไม่พอตัวหรอกพอตายปุ๊บลงนรกอีกไม่ได้เกิดอีเป็นนาน พอไม่ได้เกิดอีกตั้งนานก็คิดว่าตายแล้วศูนย์ที่ไหนได้พอตายปุ๊บลงไปอยู่ในโล ก, กันตนนรนรกนะก็จะโผล่ขึ้นมาอีกทีโอสายเสร็จแล้วก็เลยไม่รู้คุณค่าของความเป็นคนเพราะฉะนั้นคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยฆ่าด้วยสำคัญว่าพบชาติขาดศูนย์ก็คือวิภวะปัญหาสองในขณะที่จะฆ่าจิตเกิดโทสะโทสะคืออะไรโ ก, กรธเกลียดน้อยใจเสียใจเศร้าใจซึมใจ อาการโกรธเกียดเสียใจน้อยใจอาการเหล่านี้คือโทสะ ม, มูลจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียใจเพราะบางสิ่งบางอย่างน้อยใจเช่นน้อยใจพ่อแม่น้อยใจครูน้อยใจโรงเรียนน้อยใจวิทยาลัยทำไาฆ่าตัวตายอาการเหล่านี้คือโทสะ ม, มูลจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเขาต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่ได้ฟังเทศไม่ได้ฟังธรรม ถ้ารู้อ๋อการเกิดเป็นมนุษย์มันยากเย็นแสนเข็ญไอ้แค่ผิดหวังบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยแต่การที่จะเป็นอยู่เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะถ้าเข้าใจชีวิตแล้วเนี่ยชีวิตเป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวถ้าได้ดวงตาเห็นธรรมก็เรียกว่าได้เกิดมาสมทีท่ได้เกิดนะเรียกว่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิดถ้าเกิดมาแล้วยังฆ่าตัวตายเสียชาติเกิดที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะอันนี้ก็คือสําคัญมากเพราะฉะนั้นพระหารไทยของพระองค์มิม่มนหมองนะ มี่หมุมองด้วยกิเลสพัน0้าด้วยตัณหาลอยแตกกับทั้งอกุศลธรรมทั้งหลายมีโลภะโทสะโมหะอะฮิริกะโลภะก็คือความโลภโทสะความโกรธโมหะความโลรรมหลงอะฮิริกะความไม่ละอายแก่ใจอนุตตรบาปความไม่เกรงกลัวบาปสิ่งเหล่านี้นี่ไม่มาแปดเปื้อนทำให้พระไถยของพระองค์หมุ่นมองแต่ประการใดเลยกว่ากิเลสธรรมต่างๆไม่ทําให้พระไถยของพระองค์หลังจากตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ใช้ชีวิตก็เหมือนคนทั่วไปใช้ชีวิต พระองค์ฉันไหมฉันจําวัดไหมจําวัดน่าก็สุขภาพล่ะก็เหมือนคนธรรมดาพระองค์ก็มีเจ็บป่วยเหมือนคนธรรมดาแต่ว่ากิเลสเหล่านั้นเนี่ยมาทําให้พระไทยของพระองค์หมุนหมองไหมไม่มาทําให้พระไทยของพระองค์หมุนหมองเลยพระไทยของพระองค์เหมือนใบบัวน้ําเหมือนน้ําที่อยู่บนใบบัวน้ําที่อยู่บนใบบัวไม่เปียกใบบัวฉันใดพระไทยของพระองค์ ถึงจะใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปยังมีการฉันอาหารยังมีหลับยังมีจําวัดยังมีทํากิจต่างๆเหมือนคนทั่วไปแต่พระไทยของพระองค์ไม่หมุนหมองด้วยกิเลสโดยประการทั้งปวงนะ่ะเหมือนน้ําไม่เปียกใบบัวฉะนั้นคืออยู่ใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาทั่วไปนะ่ะต้องฉันข้าวต้องสงน้ําต้องทำกิจน น, จนี้นะ่ะกระทบกับอารมณ์ต่างๆเช่นพระเทวทัศน์นะ่ะคิดปรุงประชนบ่อยครั้งพระองค์ จิตพระไทยของพระองค์วลหวังไหมไม่หม่นไม่ห ม, ม่นหองโดยประการทั้งปวงอันนี้ก็คือบอมีหม่นมีหมองมัวนะอันนี้ก็เป็นกรรบทแรกนะกาบบทแรกนะอันนี้ก็ทําทไมจึงเรียกกาบโยมกราบเนี่ยมันจะกาวยะกาวยะคือกาบแปลงวะเป็นพระเราเรียกว่ากาบกราบญาณีทําไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยนะจริงๆนั่นก็คือกาบ นะไม่เรียกว่ากรอนนะจะเป็นกราบเป็นโครงเป็นกรอนตรงนี้ก็เรียกว่ากราบนะก็คือเนี้ยก็คือถ้าเป็นบาลีก็หนึ่งคาถานะฮะถ้าเป็นกราบก็หนึ่งกาบแล้วกราบที่หนึ่งะจบก็เรียกว่าองค์ใดพระสามพุทธสุวิสุทธสันดานตัดมูนเกล็ดมานบ่มีหมอนมีหมองมัวอันนี้คือจบไปแล้วหนึ่งท่อนนะกาบที่หนึ่งจบกราบที่สองหนึ่งในพระไทยท่านก็เบิกบานคือดอกบัว หนึ่งในพระไทยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวคือพระไทยของพระองค์เนี่ยได้ถึงความเบิกบานโดยชอบด้วยพระองค์เองทําไมจึงเบิกบานก็ด้วยการบรรลุสัพพัญยุตยานอันประกอบด้วยพระคุณหาประมาณมิได้เพราะการได้พระไทยของพระองค์ได้สมาคมกับอรหัตมักอันประเสริฐเปรียบประดุจ ด, ดอกบัวที่เบ่งบานด้วยการถึงความงามอันมีอันเลิศมีสิริที่รุ่งเรืองน่าชอบใจยิ่งนักเพราะการได้สมาคมน่ากับแสงเรืองรองแห่งดวงอาทิตย์ ดอกบัวจะบานนะหรือดอกบัวเรามองไม่เห็นนะนะไม่ค่อยมีดอกบัวเอาดอกไม้ง่ายๆนะคุณนายตื่นสายก็แล้วกันคุณนายตื่นสายเนี่ยพอได้แสงแดดในบานสวยเลยฉันใดพระไทยของพระองค์เนี่ยได้รับแสงแห่งอรหัตตมัคคายานพระไทยของพระองค์ก็เบิกบานเบิกบานขนาดไหนหนึ่งในพระไทยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวดอกบัวนี่คือปฏิเวทดอกบัวคือปฏิเวทแล้วอะไรคือปริยัติล่ะ ขอบเขื่อนเขื่อนหรือขอบสะคือปริยัตน้ําคือปฏิบัติดอกบัวคือปฏิเวทปฏิเวทก็คือการรู้แจ้งแทงตลอดนั่นแหละคือดอกบัว บ, บางทีเราบอกเออเขื่อนเขื่อนเนี่ยก็คือปริยัตเพราะนั้นต้องสร้างเขื่อนนะแต่ปัจจุบันบ้านเราเขื่อนชอบแตกนะทําไมเขื่อนชอบแตกก็เพราะไม่ยอมเรียนปริยัตนั่นแหละไม่ยอมเรียนจะเอาปฏิบัติให้บรรลุไม่ได้นะคําว่าเรียนคือมานั่งตรงนี้คือเรียนนะนั้นเนี่ยญาติโยมมานั่งในห้องนี้คือกําลังนั่งเรียนอยู่ การเรียนแบบโบราณเรียนโดยการฟังเขาเรียกว่าสุตตมยะปัญญาก็จะมีคําว่าสุดสูสังลปฏเเปัญญังตั้งใจฟังก็จะได้ป so, ัญญาคือตั้งใจฟังคือตั้งใจเรียนนั่นแหละนั่งฟังเทศคือนั่งเรียนแต่เป็นการเรียนแบบโบราณขนานแท้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดสิ้นตั้งใจฟังตั้งใจฟังตั้งใจฟังนั่นแหละสุตมยปัญญาในขณะที่ฟังฟังฟังฟังนั่นแหละคือการสร้างเขื่อน แล้วก็ฟังไปน้อมจิตไปโยโนในโสโบรรณสิการไปน้ําคือการปฏิบัติเริ่มแล้วน้ําคือการปฏิบัติเริ่มหนึ่งที่ไต่สนธนคมเริ่มสองที่ศีลเริ่มสามสมาธาเริ่มสามธุดงเริ่มสี่สมาธเริ่มหาวิปัสสนาการปฏิบัตินานับหนึ่งที่ไต่สนธนคมนานพุทธังสนนางโนโมตดสาสามจบแล้วกัพุทธังสนนางกัจฉามิานันลงมือปฏิบัติแล้วศีลห้านับ2การปฏิบัติทุดงนับสามการปฏิบัติสมาธนับสี่ของการปฏิบัติ วิปัสนานับ5้าของการปฏิบัติเพราะนั้นปฏิบัติไม่ใช่ไปขวาย่างหนอซ้ายย่างหนวแล้วปฏิบัตินะรับไตสารณคมเนี่ยอย่าให้ขาดถ้าไตสารณคมขาดการปฏิบัติเสียแล้วรับศีลอย่าให้ศีลขาดถ้าศีลขาดการปฏิบัติเสียแล้วนะแล้วก็ทุดงโยมทําทุดงอะไรบ้างน่ะโยมก็สามารถถือทุดงเหมือนพระได้ทุดงไม่ใช่ไปเดินตามป่าตามดงหรือเดินผ่านเมืองไม่ใช่นะทุดงแปลว่าขาดเก่าขัดเก่ายังไงบ้างอ้าอย่าเช่นวันที่ส มิถุนาที่ถึงเนี่ยที่ยุวพุทธก็จัดเนสัตชิกะทุดงสำหรับญาติโยมใครอยากจะไปสวดสาธทยายพระไตรปิฎกตลอด24ชั่วโมงในวันที่สตั้งแต่เช้าจนถึงรุ่งเช้าของวันที่4มิถุนาที่ยุวพุทธในเกในในรายการนี้จะมีเนสัตชิกะทุดง ให้ญาติโยมที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดถือธุดงธุดงข้อไหนเนสัชชิกคือคืนนี้ไม่นอนหน้าคืนวันที่สามไม่คืนไม่นอนไม่นอนแล้วทำยังไงนั่งพิงเก้าอี้หลับเอา <c oughs> <c oughs> ก็อาตมาก็จะบรรยายไปสวดมนต์ไปนําเดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งคืนนะตลอด24ชั่วโมงนะเดีวเช้า ว, วันที่3จนถึงเช้าของวันที่4อันนั้นโยมถือธุดงได้นะเรียกว่าเนสัชชิกาธุดง เพราะนั้นก็บวตดงจะดงเกี่ยวอะไรกับโยมล่ะโยมก็ทําได้เนสศจิการทวดงไม่นอนสักวันหนึ่งสักคืนหนึงนะก็ลองดูนะจะทาไม่นอนได้ก็ทําสมาธิช่วยได้นะถ้ามีสมาธิจะช่วยได้แต่ถ้าไม่มีสมาธิก็อย่าไปเสี่ยงเดี๋ยวจะเป็นลมนะอันนี้ก็คือร่างกายแข็งแรงทําได้นะอันนี้ก็คือเนสศจิการทวดงนับสามแล้วก็สมถาก็คือพุทธคุณธรรมคุณสังคุณนะั่คือสมถานะเป็นการปฏิบัตินับสี่ส่วนวิ ป, ปัสสนาพิจารณารูปนามขันหน้าเห็นไตรลักษนะั่คือ การปฏิบัตินับหาเพราะนั้นปฏิบัติหนึ่งสสามสี่ห้ามีหขั้นด้วยกันเราต้องเข้าใจความหมายของคำว่าปฏิบัติแล้วก็ขั้นตอน้องคำว่าปฏิบัติเราจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้หนึ่งในพระไทยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวพระไทยของพระองค์เนี่ยเมื่อได้เข้าถึงอรหัตมรักพระองค์เบิกบานมากหนับเขื่อนคือปริยัติน้ําคือปฏิบัติปฏิเวทคือดอกบัวปฏิเวทคื อ, อรหัตมรักทั้งสเกิดนี่คือปฏิเวทแล้ว ดอกบัวคือพระไทยของพระองค์เนี่ยได้เข้าสู่มรรคง4โดยเฉพาะอรหัตมรรคพระองค์เบิกบานขนาดไหนเบิกบานเนี่ยอยู่สีวันไม่ต้องเสวยอาหารเบิกบานนะพอได้บรรลุอรหัตมรรคปุ๊บอรหัตผลเกิดในขณะนั้นเนี่ยมหากิริยาโสมานัสเกิดทุกวันทุกวันทุกวันตลอดเวลา49วันไม่ฉันอาหารอยู่ได้ทําไมอยู่ได้มีตีติเป็นอาหารอาหารของมนุษย์คือกระเบื้งกราอาหารอาหารคือคำข้าว อาหารของเทวดาสุทาโภธนะก็เป็นค um ําข้าวเหมือนกันแต่อาหารของพมเป็นปีติพมมีปีติเป็นภักษาคือมันอิ่มใจอิ่มอกอิ s <S <c oughs> thing, ่มใจอิ่มอกอิ่มใจนั่นแหละคือมีปีติเป็นภกษาพระนพองเนี่ยหนึ่งในพระไทยท่านกระเบิดบานคือดอกบัวหลังจากพระองค์ตัดสรู้แล้วเบิกบานพระไทยอย่างสุดเบิกบานพระไทยแล้วก็เปลงอุทานออกมาว่าอันนี้ก็จะดิสังสารังสันดาวิสังอันนี้วิสัง ก้าคารังเวสันโตุกคาจติปุนาปุณังก้าคาร์กาดิโดสิบุนักเก่งนกอาศิสบบาดีบาสุกาบักกาก้ากุดังวิสังกะตังวิสังคาร์ a ตังจิตังตันหานังกยมัดชกา ก็คือบทว่าอเ น, นกชานนเนั่นแหละพระองค์เกิดปีติโสมนั้นก็เปล่งออกมาการเปล่งออกมาด้วยปีติโสมนั้นเรียกว่าเปล่งอุทานเปล่งออกมาด้วยความดี อ, อกดีใจเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนนี้เปล่งออกมาเกิดอะไรขึ้นดอกบัวคือปฏิเวทเบิกบานในพระไถยของพระองค์พระองค์ก็เปล่งคาถานน้นคาถานี้ออกมา และขณะที่เปลง่งคาถาไปพิจารณาธรรมะไปเปลง่งคาถาไปพิจารณาธรรมะ ไ, ไปเกิดปีติส่ันอิ่ม อ, อกอิ่มใจไม่ฉันอาหารอยู่ได้ถึง49วันอิ่มจริงๆ อันนี้ก็อญาติโยมลองดูนะถ้าอิ่ม อ, อกอิ่มใจเนี่ยได้มาทํางานที่โรงพยาบาลศรีราชได้ช่วยเหลือคนไข้ตลอดเวลาในอิ่ม อ, อกอิ่มใจลองไม่ทานอาหารดู <c oughs> แต่ถ้าเกิดปีติก่อนนะเกิดปีติโศมแล้วไม่อิ่ ม, อ, อ, ก อ, ม อ, อกอิ่มใจมันอิ่ม อ, อกจริงๆอิ่มใจจริ ง, ร ง, รงๆเนี่ยไม่อยู่ข้าวนะมีปีติไปหล่อเลี้ยงมันอยู่ได้เหมือนพระเจ้าพิมพิสารนั่นแหละนะไม่ได้ทานไม่ได้เสวยพระกยาหารพระองค์ว่าอาศัยเดินจงกรมเกิดปีติแล้วก็อยู่ได้ อันนี้ก็คือความอิ่ม อ, อกอิ่มใจก่อนจะอิ่ม อ, อกใจคือในใจี่ดอกบัวคือปฏิเวทมันบานแล้วนะอันนี้คือว่าเบิกบานคือดอกบัวเราจะรู้ว่าดอกบัวดอกไหนบานดอกบัวในที่นี้คือปฏิเวทปฏิเวทคืออะไรมาร์ชเชียโสดาปฏิมาสกนนรออรรรารไดมัชนายคำะอารหัตมัชมันแหละคือดอกบัวคือเลือเบิกบานในพระไทยของพระองค์นะแล้วก็ราคีบอบพันพัวดอกบัวนี้ถึงจะเกิดจากเปลือกต้มแต่โครน มาพันพัวปฏิเวทไหมโครนคือกิเลกก็ดีวาสนาก็ดีมาทําให้ดอกบัวคือปฏิเวทเนี่ยนะมาพัวพันไหมไม่มีพัวพันความยินดียินร้ายมาพัวพันพระไทยพระองค์ไหมไม่พัวพันหรือในขณะที่พระองค์เห็นคนตกทุกข์ได้ยากอืต้องช่วยคนนี้ก่อนแล้วเราช่วยเขาแล้วเขาจะช่วยเราอันนี้คือความยินดียินร้ายผัวพันแล้วคือช่วยเพราะเห็นแก่ในอนาคตหรือเอาคนนี้ นคนนี้ต้องให้ความรู้คนนี้ถ้าเราตาจายตา ย, ตายจากไปเนี่ยความรู้ของเราเมื่อทําประโยชน์ได้อันนี้ก็คือหวังในลักษณะอย่างนี้หรือเออเขาก็ได้ประกอบอาชีพได้เราก็หวังอันนี้ก็เรียกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างผัวผ่านแต่พระองค์เนี่ยจะเทศโปรดใครก็ตามสแสดงท ร, รมาที่ไหนก็ตามไม่มุ่งอาวุธไม่เห็นแก่ร่าพระองค์ช่วยทุกคน ช่วยสัตว์ใน31มพบภูมิด้วยพระไทยอันบริสุทธิ์ไม่มีที่รักมักที่ชังไม่มีอากติไม่มีการลำเอียงโดยประการทั้งปวงตั้งแต่เริ่มสร้างบารมีจนกระทั่งแสดงธรรมเนี่ยบอกคุณนักถือพุทธใช่ไหมไม่ใ ช, ไใช่ไม่แสดงธรรมไม่ใช่นะไม่นับถือพุทธแถมยังมาด่าอีก เช่นมีพราหมณ์คนหนึ่งญาติมาบวชแล้วก็โอ้ยผู้ดิจจ้านี่ทำให้ตระกูลของเราเสื่อมตอนนั้นไปด่าผู้ดิจจ้าด่าเสร็จเหนื่อยเหนื่อยเสร็จแล้วนั่งหายเหนื่อยแล้วจะด่าต่อในขณะที่นั่งรอหายเหนื่อยเนี่ยพระองค์ก็เทศโปะเทศ บ, ทบดได้บรรลุก็ได้บรบรลุขอบวชไอญ า, าติที่เหลือมาไดาอีก เนี่ยทำให้ตระกูลของเขาหายทำให้ตระกูลของเขาเสื่อมเสียทำให้ตระกูลเขาสิ้นตระกูลไม่มีคนสืบทายาทมีคนเสื่อตระกูลอาดอกมด่าพระเจ้าต่ออีกเพราะไม่ได้นับถือพระดาเสร็จเหนื่อยเหลียวหายเหนื่อยแล้วด่าต่อ <c oughs> พระุทธองค์ก็ปล่อยไปแล้วสักพักหนึ่งพอเริ่มนั่งรอหายเหนื่อยพระุทธองค์ประเทศโบสเทพโบสได้บรรลุอีกเพราะนั้นพระุทธองค์เนี่ยไม่มีจิตคิดเล็กคิดน้อยกับผู้ใดทั้งสิ้นช่วยเหลือทั้งหมดอันนี้ก็เรียกว่าราคีเนี่ยบพันพัวเลยโดยประการทั้งปวงนะฮะอันนี้ก็คือ สุวะคนคือกลิ่นแห่งคุณงามความดีกลิ่นแห่งศีลกลิ่นแห่งสมาธิกลิ่นแห่งปัญญากําจรอง่ายังไงตั้งแต่มนุษย์จนถึงผวมโลกนามีคํากําจรออกไปว่าตังโขปนาปกาวันตังเอวังกัลยาโอเกติสะทออะภูกะโตก็กิติศักด์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่ากลิ่นแห่งกิติศัพท์คุณงามความดีของพระพุทธเจ้าเนี่ย ฟุ้นตั้งแต่มนุษย์โน้นจนไปถึงพระวัพขผงะวักขผงก็ได้ยินได้ยินโอองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงมีพระคุณเหล่านี้ศีลคุณพระองค์ก็สมบูรณ์สมาธิคุณปัญญาคุณบารมีทั้งสิบท่าพระองค์ก็บำเพ็ญมาเดนืวกว่ามหากรุณาสมมาปฏิยันทุกอย่างพระองค์ก็มีพร้อมหมด นะแล้วทศพลยานพระองค์ก็มีพระคุณต่างๆของพระองค์เนี่ยุ้งกระจายอย่างที่เราสวดอิตีปีโสพระกวาอารหังสัมมาอารหังคุณคือความเป็นพระอารหันสัมมาสัมพุโทโธ ค, คุณคือความรู้ตัดรู้ชอบในตัวพระองค์เองวิชาจรณะสัมปโนคุณคือความรู้ถึงความเรื่วิชาสาและจารณะสิบห้าคุณเหล่านี้ทั้งหมดเดี๋ยวฟงกระจายสุวคนกลิ่นแห่งคุณงามความดีขจรก็คือขจรกระจายไปทุกทิศทุกคนทุกแห่งองคดอนนีก็ส อ, สองสองกาบจบไปแล้วกาบต่อไป องคใดประกอบด้วยพระกรุณาดั่งสาครก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดั่งสาครพระกรุณาคืออะไรความสงสารความสงสารแบบไหนความสงสารต่อสัตว์ใน31พรพ่อพูนเนี่ยมีมากเหมือนกับทะเลอันยิ่งใหญ่นะบอกถ้าเราข้ามห่วงน้ําคือมหานกคือทะเลอันยิ่งใหญ่ได้แล้วก็จะช่วยให้สัตว์ทั้งหลายข้ามจากห่วงน้ำนะ่ะคือการโมฆะโพฆะที่โถฆะได้ด้วยแล้วก็ชีวิตของเราเนี่ย คิดอยากจะช่วยสัตว์ในสารทีเอ็ดพ่อภูมิถ้ามีทะเลเพลิงทะเลก็คือเพลิงที่มันกองใหญ่ไฟกองเมื่อหือมากองไฟเนี่ยมันกว้างสุดสายตายิ่งกว่าทะเลแต่ถ้าเราข้ามทะเลเพลิงนี้ไปได้แล้วทำให้เราได้บรรลุได้โพธิญาณแล้วกลับมาช่วยเหลือสัตว์ในสารสเอ็ดพ่อภูมิได้ทะเลเพลิงอันกว้างใหญ่เราก็จะข้าม เพราะฉะนั้นทําไมพระองค์จึงจะข้ามเพราะพระองค์มีมหากรุณาเห็นว่าถ้าพระองค์ข้ามไปแม้ก็ตายเพราะเดียวชาติเดียวแต่ช่วยสัตว์ใน31มสุภพภูมิได้จํานวนนับไม่ถ้วนก็คือเห็นสัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนไหวาตายเกิดเห็นสัตว์ทั้งหลายที่ทุกข์น่ะทุกข์เพราะการเกิดแก่จตายทุกข์เพราะภายในสังสารวัฏทุกข์เพราะต้องทํามาหากินทุกข์สารพัดทุกข์ที่พวกเราประสบ พ, พบเจอกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพระองค์เห็นแล้วก็สงสารสงสารสนสารสุดๆจนกระทั่งพระองค์เนี่ยละสิทธิ์ส่วนพระองค์ สละ ส, สิทธิ์ส่วนพระองค์คืออะไรในชาติที่เป็นสุมเมธนาบทวันนั้นถ้าฟังธรรมได้บรรลุเป็นพระอราหันต์แต่สละ ส, สิทธิ์ไม่เอาเป็นพระอราหันต์เราจะช่วยเหลือ ส, สัตว์ใน3ามสิ่งพระภูมิต่อไปโดยการบําเพ็ญบารบมีทั้งสิบ ท, ทามบารบมีศีลบารมีเนคขามาบารบมีจนถึงอุเบข า, าบารบมีต่ออีกนะแล้วพระ อ, อ, องค์ก็ได้ตั้งจิตอย่างนั้นสละสิทธิ์คือจะได้บรรลุเป็นพระอราหารันต์วันนั้นสละสิทธิ์ต่อไปแล้วก็ตั้งจิตคอยข้าพระเจ้าได้บรรลุเป็นพระอ ร, สส ห, ร, ห, ร, รพพหันต์ทศมาสามุทิจเจ้าแล อ่าภัยจากวัฏจักรทุกน่าจากทุกในวัฏักสงสารพระองค์ก็ตั้งจิตจากวันนั้นคือสละสิทธิ์ส่วนพระองค์นะเพราะฉะนั้นพระกรุณาของพระองค์ดังสาครอย่างทะเลเหมือนกับทะเลอันกว้างใหญ่วันนั้นพระองค์สละสิทธิ์ส่วนพระองค์แล้วก็บำเพ็ญบารมีต่ออิสยาส่สงขายแสนกับจึงจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนั่งองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครพระกรุณาการุณาในแปลว่าสงสารพวกเรามีอะไรน่าสงสารนะโยมพวกเรามีอะไรน่าสงสาร งานก็มีเงินก็มีบ้านก็ ม, กมีมีอะไรน่าสงสารบ้างพระองค์บอกโอ้จะมีขนาดไหนเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายดีไม่ดีตายลงอบายด้วยนะพระนบโภคสงสาร สงสารว่าสัตว์ในสารที่อยูพภูมิเนี่ยไม่เลือกเชื้อชาติวันนะตายหมดตายแล้วถ้าตายด้วยโมหะก็ลงนรกตายด้วยโทสะเอาขอไปตายด้วยโมหะก็เป็นเป็นสัตว์เดรัจฉานตายด้วยโลภะก็เป็นเปรตตายด้วยโทสะก็ลงนรกตายด้วยทิฏฐิมานะก็เป็นอสุรกายถ้าตายด้วยจิตที่เป็นหมาผู้สก็เป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาตายด้วยจิตที่อยู่ในฌานก็ไปเกิดในเป็นรูปภูมิรลื้อรูปภูมถ้าตายแล้วหมดกิเลสก็ไปนิพพานนะเพราะนั้นก็คือสัตว์ทั้งหลายยังเวียนว่ายตาย พระองค์สงสารพระองค์ก็มีกรุณาสงสารต่อสัตว์ในสารเสี้ยพอบุญเพราะฉะนั้นพระองค์ประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะได้รับรู้รับทราบว่าพระมหากรุณาของพระองค์เนี่ยยิ่งใหญ่มากโปรดหมู่ประชากรมละโอฆกันดาลพระองค์ปฏิบัติเน่ยเรียกว่าบำเพ็ญบารมีจนบารมีได้ครบเน่ยเมื่อบารมีได้ครบแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสรู้นี่ยพอตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ โกรธหมู่ประชากรประชากรนี่แต่ไหนตั้งแต่พรหมเลยคนแรกที่พระเจ้ามาสมัครเป็นลุกศิก็คือท้ามหาพรหมที่เราทั้งหลายเส ว, วนวาพระมาจโลกาที่ปฏิสามปฏิการัญจลีอนุทิวลาลังนั่นแหละเท้ามหาพรหมนี่แหละมาระธนาเอเท้าวมหาพรมม ห, ม ร, ม, หพรมรู้ได้ไงว่าพระเจ้าตรัสรู้ตอนพระเจ้าออกผนวตท้าวมหาพรหมติดตามตลอดติดตามเรื่องอะไรพระองค์ออกผนวดแล้วมีไตจีวรไหมไม่มีเท้ามหาพรหมถือไตจีวรตามมา ไปจีวรจากร้านไหนหน้าท้ายเท้ า, ทามหมาผมเก็บเอาไว้จีวรที่เอามาให้พระเจ้าออกพนวดครั้งแรกเนะ่ยเป็นจีวรทําจากใ ย, ยบัวเอาก้านบัวมาหากัหากหกัหกหักแล้วก็ดึงใ ย, ยบัวเนี่ยมาปั่นทําเป็นได้แล้วก็จีวรใ ย, ยบัวแบบเนี้ยที่พม่าเขายังทําอยู่กว่าจะได้จีวรหนึ่งชุดต้องใช้กา้านบัวถึงสามแสนกา้านแล้วก็มีประเพณี ต้องใช้หญิงผอมมาจารีถึง15คนและให้รักษาโบสุตสินแล้วก็มาหา ก, ก้านบัวอย่าให้มันขาดหากเสร็จแล้วก็ดึงเอายายมันออกมาแล้วก็เอายายนั้นไปปั่นเป็นได้แล้วก็ได้นั้นมาทอเป็นผ้านาบทอเสร็จแล้วก็มาย้อมมาเย็บมาตัดทำเป็นจีวรแต่มันจะหนาสักนิดนึงนะแต่คืออากาศมันจะมันจะหอมและจะเย็นสบายดาสีก็ไม่ชูชาดอะไรแล้วแต่จะย้อมนะเพราะฉะนั้นก็คือ เท้ามหาพรมเนี่ยเอาไตรจีวรที่ทําจากใยบัวเนี่ยไปถวายตอนที่เจ้าชายศิือรัชออกผนวดเพราะนั้นตอนที่ตัดสรู้พรมรู้ไหมรู้รู้เสร็จพระองค์ยังไม่แสดงธรรม ท, ท้ามหาพรมรีบเข้ามาเลยมานิมนต์ให้แสดงธรรมนาทําทไมพระองค์ต้องรอเพราะคนยุคนั้นนับถือพรมเป็นผู้สูงสุดเมื่อพรหมมาสมัครเป็นลูกศิษย์คนแรกมนุษย์เทวดาหน้าไหนจะไม่ยอมเพราะ สิ่งที่มนุษย์เทวดานับถือคือเทา้ามหาพรหมมาสมัครเป็นลูกศิษย์คนแรกเลยเพราะในการแสดงธรรมก็ง่ายวันพระองค์โปรดมูประชากรตั้งแตบบ่พรหมจนถึงนรกไปโปรดสัตว์นรกที่ไหนบ้างวันเทวโรห a นะวันที่พระองค์เสด็จลงจา ก, าจากสวรรค์นในภาษาที่7วันนั้นเนี่ยมนุษย์เทวดานรกมองเห็นกันหมดเลย พอมองเห็นสัตว์นรกมองเห็นผู้ได้เจ้าโอ้ยนะถ้าข้าพเจ้าสิ้นกรรมจรากนรกข้าพเจ้าจะไม่ทำบาปอีกจะไม่ฆ่าสัตว์แต่จะวิตจะไม่ทำไม่กังมาเกิดในอบายข้าพเจ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วข้าพเจ้าจะให้ทานข้าพเจ้าจะรักษาศีลข้าพเจ้าจะเจริญภาวนาพูดกันไปในนรกวันนั้นเนี่ยเสียงเซ็งแสบหมดเลยแต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์รวยขนาดไหนก็ไม่ให้ทานร่างกายแข็งแรงขนาดไหนก็ไม่รักษาศีลมีเวลามากว่างขนาดไหนก็ไม่เจริญภาวนาประมาทพอประมาทแล้วไปไหนกลับบ้านเก่าบ้านเก่ามีกี่หลังสี่หลัง บ้านหลังไหนบ้างหนึ่งหลังที่1นึรกหลังที่สองเปรตหลังที่สามมสุรกายหลังที่สสัตว์เดรัจฉานนั้นคือบ้านเก่าของปุถุชนผู้ประมาทถ้าไม่ประมาทไม่ต้องกลับบ้านเก่าไปหลังใหม่เลยหลังใหม่ก็คือสุขติภูมิมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีนั้นคือบ้านหลังใหม่นะบ้านเก่าก็สี่หลังเพราะนัตยาประมาทเลยนะอันนี้ก็คือพระองค์โปรดหมู่ประชากรเพื่ออะไรมาละโอะกันดานให้ละโปรดเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายละโอฆกันดาน โอคะคืออะไรกามโมคะห้วงน้ําคือกามพระโวคะอ้วงน้ําคือพบอทิศโถคะอ้วงน้ําคือทิศทีอวิชโชคะอ้วงน้ําคืออวิชาโอคะนี่เรามองไม่ชัดนะเราอาจจะเคยได้ยินภาษาไทยน้ําท่วมปากนะน้ําท่วมปากพูดไม่ออกเอาน้ําตัวไหนมาท่วมปากล่ะก็กามโมคะ นากาโมคะไปรับสินบนมาแล้วพูดไรไม่ได้นะฮะพ่อโมคะก็อยากเป็นโน้นอยากเป็นนี้อยากเป็นใหญ่อะไรต่างๆหรืออยากเกิดเป็นพรมนาคก็ทําให้ต้องทําได้ชาณาพิญญาก็ไม่อยากไปนิพพานแล้วอันนี้คือพระโวคะทิศโถคะนาข่วงน้ําแห่งทิฐิมันท่วมทับชีวิตของเราแล้วก็อาวิชโชคะข่วงน้ําคืออาวิชาฟ้าไม่รู้ได้ท่วมทับเพรท่วมทับแล้วก็ทําผิดโดยที่ไม่รู้เป็นข่วงน้ำสี่ข่วงน้ําใหญ่เนี่ยเหมือนทางกั n ดาล กันดารในจริงแปลว่าหาน้ํายากแต่ตรงนี้โอคาในห่วงน้ําท่วมเอ๊ะไอตัวหนึ่งบอกว่ากันดารหาน้ํายากอีกคาหนึ่งบอกว่าโอคาคือห่วงน้ํามันขัดกันไหมกันตาระนี่ยแต่อีความหมายหนึ่งข้ามได้ยากห่วงน้ําคือการห่วงน้ําคือเพราะห่วงน้ําคือทิฐีห่วงน้ํา ค, ค, คืออวิชชาเนี่ยกันตาระมันข้ามได้ยากมากกว่าที่เราจะข้ามมันได้เนี่ยมันยากเย็นแสนเข็ญ จะข้ามห่วงน้ําห่วงน้ํานี้ต้องขึ้นเรือเรืออะไรจึงจะข้ามห่วงน้ํานี้ได้เรือนั้นคืออัดถังกิกะนาวาเรือคือมักมีองค์แอัดถังกิกะนาวาเนี่ยบริษัทไหนผลิตพุทธบริษัทผลิตยี่ห้อนี้นะแล้วโครงสร้างเรือไปยังไงอ่ะไม่เห็นเคยเห็นรูปร่างหน้าตาเรืออย่างนี้เลยเรือคืออัดถังกิกะนาวาเนี่ยมีฐานเรือคือศีลแล้วก็มีโครงสร้างของเรือคือสมาธิ เครื่องยนต์กลไกลของเรือคือปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญามาผสมกันเป็นเรือรานี้ที่เรียกว่าอัดถังขิกะนาวาที่จะทําให้เราข้ามพ้นจากโอคาคือห่วงน้ำสี่ห่วงนี้ไปได้นะต้องสร้างเรือของใครของมันนะแล้วพระองค์ก็ชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารพระองค์ชี้ทางบรรเทาทุกข์เอ่อถ้าอยากเอาประโยชน์ในชาตินี้นะ ในชาตินี้มีอยู่มีกินนะขยันหานะเก็บรักษาเป็นนะคบเพื่อนดีนะใช้ชีวิตแต่พอเพียงนะถ้าใช้หลักที่จะทมิห้กันทับประโยชน์เนี่ยบรรเทาทุกในชาตินี้ได้นะก็คือชาตินี้ต้องขยนันขยันหาความรู้ขยันหาทรัพย์แล้วเมื่อขยันหาแล้วต้องเก็บรักษาเป็นเมื่อเก็บรักษาเป็นแล้วก็คบเพื่อนดีโดยเฉพาะเดือนหน้านี้อาจจะมีทีวีอาจจะมีฟุตบอลยูโร ก็เพื่อนไม่ดีเนี่ยไอ้ลูกกลมๆ ม, มันเอาไปกินหมดนาะก็เรียกว่าเล่นพนันบอลกันหมดเกลี้ยงนาะเดือดร้อนไปถึงวัดนาะตู้บริจาคต่างๆก็ถูกงันแงกน่กันกระจายไปทุกสารทิศแหละนาะเพราะอะไรเพราะการที่เราไม่รู้ว่าโอ้มันใช่ทางหรือไม่ใช่ทางไม่รู้เพราะฉะนนั้ในส่วนตรงนี้ชี้ทางบรรเทาทุกทุกเรื่องปากเรื่องท้องแก้ด้วยหลักทิศธรรมิการทบประโยชน์ขยันหาเก็บรักษาเป็นเพื่อนดีเลี้ยงชีวิต่พอเพียง ชี้สุขเกษมสารจะไปสุกติภูมิใช่ไหมอยขอให้ไปสูท่ที่ชอบที่ชอบเถิดไอ้ที่ชอบที่ชอบคืออายร 1. มนุษย์สสวรรค์นี่แหละคือที่ชอบไปยังไงล่ะทานศีลภาวนาทำหรือยังทานก็ให้ศีลก็รักษาจะไปได้หนึ่งศรัทธาต้องถึงบพรเป็นศรัทธาสต้องถึงบพรมะเศีลหเป็นอย่างตำสามสุตะต้องหันขยันฟังทำบ่บ่อ ย, อยสี ศรัทธาศีลสุตะจาคะต้องมีการบอยจากมีการเสียสละ 5. ปัญญาต้องแสวงหาปัญญานาโดยเฉพาะกรร ม, มสกตาปัญญานาปัญญาเรื่องกฎแห่งกรรมต้องมีแล้วก็ปัญญาขั้นสูงคือจจตุสจจาสัมมาทิฏฐิต้องเห็นแจ้งระยะ ส, ะสัตยอันนี้คือประโยชน์ในภายภาคหน้าที่ว่าชี้สุกเกษมสารพระงคชี้ให้เราได้รับเอ า, เอา สัมปราชิกัตถประโยชน์ประโยชน์ในภายภาคหน้าชี้ทางพระนิพพานจะไปนิพพานใช่ไหมนี่ทางนี้เลยมัชชิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกสัมมาสังกปราคิดถูกสัมมาวาจากล่าววาจาถูกสัมมากรรมตะการทำที่ถูกนะสัมมาอาชีวะประกอบอาชีพถูกสัมมาวาจาเพียรถูกสัมมาสติระลึกถูกสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นถูกมรรคมีองค์8นี่แหละหนทางไปพระนิพพานเรียกว่าชี้ทางพระนิพพาน ถ้าไปถึงพันิพานแล้วจะพ้นโศกวิโยคภัยความเศร้าโศกก็ไม่มีแล้วก็จะปลอดภัยภัยในปัจจุบัน4ประการก็ไม่ตกถึงภัยในสังสารวัตรก็ไม่ตกถึงถ้าเดินทางเส้นไหนทางที่ปลอดภัยที่สุดคือมัชฌิมาปฏิปทาเส้นทางสายกลางทางนี้ปลอดภัยในปัจจุบันและปลอดภัยในสังสารวัตด้วยเพราะฉะนั้นอันพ้นโศกวิโยคภัยก็คือชี้ทางให้เราเดินอย่างอย่างปลอดภัยนะอันนี้ก็จบไปแล้วอีกการาบหนึ่ง กต่อมาก็คือพร้อมเป็นจักรพิจักสุจรัตวิมลใสองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงมีจักสุถึง5ประการจักสุหประการนี้เราจะเคยได้ยินนะมีตาแต่หามีแววไหมนะแต่ตอนนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีทั้งตาเนื้อมีทั้งดวงตามีทั้งตาทิศนามีทั้งดวงตาเห็นธรรมมีทั้งพุทธจักสุมีทั้งสมัญจักจสุดวงตาหดวงเนี่ยต้องมีนะดวงตา5ดวงองคพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีครบเลย นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจกักษุของพระองค์นี่ใสสว่างมองเห็นตาเนื้อเกิดด้วยบุญของการรักษาศีลข้อทีอ่ข้อที่5ทําให้ตาไม่บอดตาใสเกิดด้วยบุญจากการรักษาศีลข้อที่4ตาไม่ฟ้าไม่ฟางถ้าตาฟ้าฟางก็ศีลข้อที่4ี่รักษาไม่ดีถ้า ต, ตาบอดก็ศีลข้อที่5้ารักษาไม่ดีนะพระศีลข้อ4ี่ข้อทําทำให้ตาดีไม่บอดและก็ตาใสสว่างศีลข้อที่4พระองค์เนี่ยมังสะจกสักษุก็จะเห็นอย่างกระจ่างชัด นอกจากมีมังสาจักษุก็จะมีทิพยจักษุมีดวงตาที่เหนือมนุษยธรรมใดนอกจากมีทิพย์ยะจักษุก็จะมีธรรมะจักษุได้ดวงตาเห็นธรรมอีกนอกจากมีธรรมะจักษุก็จะมีสมัญตาจักษุเหมือนตาเลด้ามองเห็นรอบๆโดยประการทั้งปวงและนอกจากตรงนี้ก็จะมีจักษุที่เหนือนั้นอีกเรียกว่าพุทธจักษุก็คืออินทริยาโปรยัติยานอินทริยาโปรยัติยานเนี่ยพระองค์จะใช่วละสองครั้งดวงตาพิเศษนี้ดวงตาวิเศษ คืออินทรีย์พยกละติยานครั้งแรกใช้เวลาตีสี่ครั้งที่2ใช้เวลาตีสองตีสีใช้ทําไมตรวจดูสัตว์โลกก่อนจะออกบินตบาทก่อนจะอโพรสัตตีสี่ตื่นบันโทมขึ้นมาแล้วก็นั่งใช้ยานนี้ตรวจดูวันนี้จะมีใครได้บรรลุแพ่คายคือพยานจกขอบพระคันไก้ดีตีวงขยายออกไปจนถึงขอบจักรวาลแล้วก็ตอนบ่าย2องนะก็ใช้ยานนี้อีกตรวตรวจดูสัตว์โลกแพร่คายจะขอบจักรวาลจนตีวงกลมเล็กลงจนถึงขอบพระคันไก้ดีวันละสองครั้งตรวจดูสัตว์โลก ไปตรวจดูสัตว์โลก้วยอินทรีย์โปรปริยติยานว่ามีใครมีอินทรีย์แก่กล้าพอจะได้บรรลุมพรผลนิพพานพระองค์ก็ใช้ยานคือจากสูบ ว, วงนี้ตัวดูแล้วไปเห็นอย่างกระจ่างชัดอยู่ใกล้ ก็ดําเนินเดินไปอยู่ไกลก็เหาะไปหรือใช้อิทธิฤทธิ์บางอย่างที่ไปถึงอย่างรวดเร็ววันนี้ก่อนที่จะใช้ก่อนที่พระองค์จะแสดงธรรมเนี่ยพระองค์ใช้ยาตรงนี้ตรวจดูก่อนตรวจดูตรวจดูอัธยาศัยตรวจดูอินทรีย์ของผู้ฟังธรรมเพราะฉนั้นพอดูแล้วคนนี้มีราคะจริตคนนี้มีโทสะจริตคนนี้มัวจริตคนนี้พุทธิจริตดูจริตดูจริตก่อนอราคะจริตเอาเรื่องอาชวะกรรมฐานโทสะจริตอาเมตตากรรมฐานอาพุทธิจริตเอากายก็ด้เอามรณานิจกรรมฐาน ถ้าโมอาจริตหรือรตกจริตเอาอานาปนสิกรรมฐานถ้าพุทธิจิถ้าสัทธาจริตเอาพุทธานุสิกรรมฐานดูธรรมะที่อูกกับจริตแล้วก็ถูกกับอินทรีย์แล้วก็ถูกกับการเวลาแล้วเวลาแสดงธรรมเนี่ยคนฟังสามารถปัญญา3าขั้นเกิดฟังแล้วเข้าใจสุตตมยปัญญาเกิดคิดตามพิจารณาตามได้ยโดยริโสมนติการตามเกิดโยริยโสมนสิยริโสมนิการตามได้จินตามมิยปัญญาเกิดฟังแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมภาวนามิยปัญญาเกิดปัญญาสมขั้นเกิดขึ้นตามลําดับ เพราะฉะนั้นเรามีจักสู่ทั้งหประการครบถ้วนแล้วก็สามารถทําให้สัตว์ที่ฟังเทศฟังธรรมเนี่ยได้ประโยชน์เหมือนกันหมดก็คือคนฟังแล้วน่าได้รับประโยชน์ในปัจจุบันทันทีและก็มีการประเมินผลพอเทศจบปุ๊บประเมินทันทีประเมินยังไงเทตะนาวสาเนพอเทศจบพหูโหคนฟังจำนวนมากโสตาปฏิพลาทีนี้ปาปเรียนสูตรได้บรรลุเป็นพระระยะบุคคลมีประสวดามันเป็นต้นประเมินผลออกมาเลยนะอันนี้ก็เรียกว่ามีการประเมินผลทันทีด้วยเรียกว่ามีจักสู่ครบถ้วน แล้พระองค์เห็นเหตุที่ใกล้ๆก็เจนจบประจักษ์จริงเห็นเหตุใกล้เหตุใกล้ภาษาบาลีหรือภาษาพัดเขาเรียกว่าประทัดฐานเหตุไกลเหตุไกลก็จะมีทูเลนิธานคือเหตุไกลๆนู้นเพราะฉะนั้นจะเห็นเหตุใกล้เหตุไกลเนี่ยเราทำยังไงดีมีคัมภีรอยู่คัมภีหนึ่งคือคัมภีเนติปกรณ์คำพีนี้ให้เราขยขยันสาวหาสาเหตุเหตุใกล้สุดๆก่อนที่จะมานั่งฟังเทศฟังธรรมมีอะไรเป็นเหตุใกล้ โยนิโสมนัสิการเป็นเหตุใกล้ในการที่มานั่งฟังธรรมโอ้วันนี้พเจอมีความธรรมโอไม่ได้หรอกเดี๋ยวฝนตกกลับบ้านออยังไงยังไงบ้านกลับมา่ไหรก็ได้ต้องฟังธรรมนะไอโยนิโสมนัสิการเนี่ยมันตัดสินว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมานั่งฟังธรรมนี่คือเหตุใกล้ของกุศลน้ำพวงคือโยนิโสมนสิการพอนั่งแล้วอ้าวตอนนี้ได้ฟังธรรมแล้วเหตุใกล้ของการฟังธรรมคือโยนิโสมนัสิการนโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็คือเหตุใกล้แต่ไม่ใช่ใกล้สุดๆพราะันมีใกล้ใกล้สุดเหตุไกลไกลสุด เหตุน <S an> ี <S an> ่ยก็สาวหาสาเหตุตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมีเหตุต่อเนื่องถึงกันหมดเพราะะนนั้พรองค์เห็นเหตุใกล้และเหตุไกลทุกอย่างทั้งหมดอย่างประจักษ์แจ้งเหมือนเห็นด้วยตาเนื้อธรรมดาอันนั้นก็คือนะเรียกว่าเป็นเหตุเนี่พระองค์เห็นมองอะไรเหมือนเห็นด้วยตาเปล่านะจะใช้ปัญญาของพระองค์ซึ่งมีดวงตา5ดวงนะและต่อมานะต่อมามันก็หมดเวลานะนะอีกสองกาบต่อมาก็หมดเวลาเอ้าก็ทนนั่งฟังต่อให้จบถ้าไม่งั้นก็ไม่จบแล้ว ก็คือการจัดน้ำใจหยาบสันดานบาปแห่งชายหญิงกาจัดน้ำใจหยาบน้ำใจตัวไหนมันหยาบก็คือวิติกรมมกิเลสนะกิเลสที่จะไปร่วงละเมิดชีวิตคนนั้นชีวิตคนนี้เนี่ยเอาอะไรไปกำจัด ก็เอาศีลนี่แหละไปกำจัดน้ำใจหยับหยาจะเป็นวารีตศีลจารีศีลไปกำจัดหยับหยากิเลสหยับหยาดทั้งหมดเนี่ยถูกกำจัดออกไปด้วยศีลกิเลสกลางๆถูกกำจัดออกไปด้วยสมาธิกิเลสละเอียดละเอียดที่เป็นอนุัยกิเลสที่แอบอาศัยอยู่ในขันธสันดานถูกกำจัดออกไปด้วยวิปัสสนาศีลกำจัดกิเลสหยับหยาสมาธิกำจัดกิเลสกลางๆแล้วก็วิปัสสนากำจัดกิเลสที่ละเอียดสุดๆที่เรียกว่าอนุใสกิเลส พระนเรศจจัดน้ำใจหยาบสันดานบาปแห่งชายหญิงนะ่ะสันดานบาปขนาดไหนเช่นองค์คุลิมานพระองค์ก็โปรดจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระเทวทัตพระองค์ก็โปรดจนกลับใจนะ่ะให้เลิกทำบาปอาเราว่กายักนะ่ะเรียกว่ายาบขนาดไหนพระองค์ก็โปรดจนอาเราว่กายักนะ่ะยอมนะ่ะได้ดวงตาเห็นธรรมนะ่ะช้างนารฬาิกิงน่งนะใจหยาบขนาดไหนจะดูายขนาดไหนพระองค์ก็โปรดทั้งหมด คนที่หยาบที่ดูร้ายขนาดไหนพระองค์โปรดทั้งหมดเลยโปรดได้แล้วก็กํากจัดน้ำใจน้ำใจหยาบสันดานบาปแห่งชายหญิงชายหญิงไม่ใช่ผู้ชายผู้หญิงนะจะเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาก็ได้ที่เป็นเพศชายและเพศหญิงทั้งหมดนะเป็นสัตว์นิยนก็มีพระองค์โปรดได้ทั้งหมดเลยกําจัดน้ําใจหยาบเนี่ยหยาบขนาดไหนพระองค์กําจัดได้ด้วยศีล น, นะเพราะพระองค์เป็นสุดยอดของการฝึกคนนะที่เราเรียกว่า อนุตโรปุริสธรรมมสาระธีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษไม่มีบุคคลอื่นยิ่งไปกวป่าน่่เรียกว่าซูเปอร์เทรนเนอร์สุดยอดของการเทรนคุณจะยากขนาดไหนมันก็ตามฉันจะเทรนขั้นหนึ่งขันข้นสองขั้นสามจนคุณเป็นคนสุภาพจนกระทั่งกิเลสในออกจัดใจได้ทั้งหมดอันนั้นคืออนุตโรโุริสธรรมาสาระธนั่นแหละนะ แล้วก็สัตว์โลกได้พึ่งพิงมาละบาปบําเพ็ญบุญในขณะที่ละบาปคือละกายชุติิตในขณะนั้นก็ได้บําเพ็ญกายสุติิตในขณะที่ละกุศลกรรมบุก็ได้บำเป็ญกุศลกรรมบุตรเรียกว่าสัตว์โลกได้พึ่งพิงทั้งชาตินี้ได้พึ่งพิงทั้งชาติหน้าพระองค์เนี่ยให้ประโยชน์ทุกคนทั้งชาตินี้ให้ประโยชน์ทุกคนทั้งชาติหน้าได้พึ่งพิงในคราวที่ใจเรามีทุกในกาวที่กายเรามีทุกได้พึ่งพิงอย่างแท้จริงก็ให้ทําให้เราได้ละบาปแล้วก็ได้บําเพ็ญบุญในขะเดียวกัันนนอออีี้กกก็คืราาาบนนึึงถง ตอนสุดท้ายเมื่อเราระลึกถึงพระคุณอย่างนี้ของพระองค์แล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปข้าขอพระนสน้อนชิระก้าบังคมคุณก็เอาเสียงของตนเนี่ยน้อมหลงก้มหลงกาบสมพุชธธกาลุญยภาพนันนิรันดรในความที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีต่อสัตว์ในสารที่พภะพูนข้าพเจ้าไม่ได้กราพระอิฐพระปูนพระทองคำหรือพระศักดิ์สิทธ แต่ข้าพเจ้ากราพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงโปรโดัดเสารเสด็จพระภูมิด้วยเสียงกล้าวที่ข้าพเจ้ามีก็พุธทธังสาระังขจ า, ามิธรรมังสาระนังขจ า, ามินาสังขังสาระนังขจ า, ามิหรือพุธทธังศีร ส, สานะมามิธรรมังศีรสานะมามิสังขังศิรสานะมามิหรือก้มลงกราบด้วยเสียงกล้าวนั่นเองกราพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่คุณอื่นๆล่ะ คุณอื่นๆก็พอประมาณแต่ว่าพระองค์เนี่สงสารตัวพวกเราถึงขนาดนี้ก็เอาคุณนี้นั่นแหละก็เรียกว่ามหากรุณาสมามปติญาณของพระองค์เราก็เน้นพยานเนี่ยเน้นพระคุณข้อนี้ของพระองค์เป็นหลักนาคุณอื่นอัลหลันอัหลันก็มีขนาดจิตเดียวนาปัญญาที่คุณก็ขนาดที่พระองค์ใช้ปัญญาสุด แต่ตอนนี้พระมาหากรุณาธิคุณตั้งแต่พระองคิดบำเพ็ญบารมีจนกระทั่งปัจจุบันนี้พระมาหากรุณาธิคุณของพระองค์ยังประดิษฐานอยู่เพราะฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันน้อมเสียก้าวศิรษนะนมามินาะบูชาพระคุณของพระองค์อันยิ่งใหญ่ ตมาก็จะได้สวดนโมนะเป็นการสรุปในวันนี้ให้ญาติโยมได้ประนมมือขึ้นและก็น้อมจิตไปตามเพื่อรนะละลึกถึงพระคุณของพระองค์อันยิ่งใหญ่ในการระบัดนี้นโมตัส กัตจามีสังกัสระนังกัต